กลับมาจากกรุงเทพวันที่30ธันวาม32จนกระทั่งบัดนี้ก็ได้เทศกันหนึ่งในเดือนมกราต้นเดือนหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ได้เทศอบรมพระเนนบ้างเลย เรื่องเราไม่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้ก็เพราะธาตุขันพอเป็นพอไปไม่ได้เป็นอารมณ์กับขันเหล่านี้ระยะปีสามสองสามสามมานี้รู้สึกว่าธาตุขันอ่อนลงมากมายจะเทศนาว่าการแต่ละ ครั้งละครั้งต้องได้พินิจพิจารณาถ้าเป็นรถก็ต้องตรวจดูเครื่องดูเคราให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกบิ้นนี่ก็เหมือนกันก่อนที่จะเทศนาว่าการแต่ละครั้งละครั้งพิจารณาแล้วพิจารณาเราแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปผ่านไป เพราะธาตุขันไม่พร้อมแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นยิง <c oughs> ขอให้ทุกท่านได้ทราบสิ่งเ่าที่กล่าวมาเหล่านี้อย่างฝังใจว่าความแน่นอนในสิ่งที่เราอาศัยนั้นไม่มี มีแต่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปแม้ที่สุดสุกเกิดมาก็ผ่านไปทุกเกิดมาก็ผ่านไปพบญาติที่เกิดมาก็ผ่านไปผ่านไปหาสาระอะไรได้บ้างที่เป็นหลักเกณฑ์ภายในจิตใจของเราไม่มีมีแต่สิ่งที่ ผ่านไปผ่านมาอยู่เพียงเท่านั้นด้วยกฎอันนี้จังทุกขังอนตตาซึ่งสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวของเรานี่แหละแล้วก็ผ่านไปผ่านมาอยู่เช่นนั้นจะหาสาระสําคัญพอที่จะตายใจได้ไม่มีมีเรื่องคติของโลกเป็นอย่างนี้ให้ยกตัวของเราขึ้นเป็นอันดับแรกแล้ว ตีความหมายกระจายออกไปสู่โลกดินแดนนี้ว่าเป็นเหมือนกันนี่หมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่สร้างหลักใจไว้ที่เรียกว่าหลักธรรมไว้เสียตั้งแต่บัดนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ผิดพลาดได้มาเสียไปได้มาเสียไปหาที่ไว้ใจตายใจไม่ได้อยู่อย่างนี้ ตลอดไปอีกไม่ใช่เพียงว่าเป็นมาอย่างนี้แล้วจะสิ้นสุดยุติลงไปยังจะเกิดมาด้วยความเป็นเสียงตายด้วยความเป็นเสียงอยู่ด้วยความเป็นเสียงกับสิ่งสัมปัสสัมพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยหาทางออกไม่ได้นี่ท่านจะเรียกว่าวัดตะวน คือหมุนไปเย็นมาอยู่อย่างนี้แหละดูอย่างครูอาจารย์ที่ท่านให้โอวาตแนะนําสั่งสอนพวกเรามาโดยลําดับลําดาก็นั่นแหละถ้าจะเป็นสมบัติติดม้ติดมือก็หลุดม้าหลุดมือไปครูาอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งพิงของเราให้รับความอบอุ่นเย็นใจ ร่วงไปร่วงไปอย่างนั้นหาความแน่นอนไม่ได้เลยสิ่งภายนอกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนำสิ่งภายนอกทั้งหลายที่จะเป็นคติเครื่องเตือนใจเป็นสาระคุณเข้าสู่ใจของเราด้วยภาคปฏิบัติ อย่าได้สงสัยกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้ว่าจะผิด แ, แปกแตกต่างกันกับเรื่องกฎของนิจังที่เคยเป็นมาอยู่แล้วนี้ในการต่อไปจะไม่เป็นไปอย่างนี้อย่าได้สงสัยความเป็นเหล่านี้เคยเป็นมาฉันใดก็เป็นไปฉันนั้น เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงหาความแน่นอนไม่ได้อยู่ก็อยู่ด้วยความสงสัยสนเทอยู่ด้วยความไม่มีหลักมีเกณฑ์อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเป็นอย่างมนุษย์เราก็พอรู้เดียงสาภาวะบ้างผู้ฉลาดก็ค้นขวายความดีได้เช่นอย่างชาวพุทธของเราเพราะผู้นัก ถือพุทธศาสนานี้เป็นผู้แน่เป็นผู้แม่นยำในสิ่งที่นับถือนั้นว่าไม่ผิดพลาดประกาศแต่เรื่องทำทั้งหลายซึ่งเป็นความถูกต้องดีงามทั้งนั้นออกมาโดยพระวาจาของพระพุทธ เ, ทเจ้าเองว่าสวขาตธรรมทรงจัดไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วันได้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้โดยชอบ กิเลหมดสิ้นไปจากพระไทยตั้งแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้มาวิธีการนำเนินทุกแง่ทุกมุมที่จะให้ก้าวเขา้าถึงความหลุดพ้นดังพระองค์ท่านก็ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องด้วยศัสตร์สวขาตธรรมเหมือนกันแล้วบรรดาสัตว์ทั้งหลายควรจะได้อุญงามความดีจากอุบาใดวิธีใดการกระทาใด พระองค์ก็ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องและสมบูรณ์เต็มที่ที่สัตว์ทั้งหลายควรจะได้จะถึงนั้นไม่ผิดพลาดไปเช่นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นทานประเภทใดนี่ก็เป็นหลักอันยิ่งใหญ่ของกุศลธรรมที่จะเป็นเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายได้สำหรับผู้บำเพ็ญ ศักษาศีลไม่ว่าศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยี่เจ็ดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกุศลธรรมที่จะนำตนให้ไปสู่ความสุขความเจริญ น, นั่นแหละินกระทั่งยิตะภาวนาการอบรมจิตใจซึ่งเป็นที่รวมแห่งความดีทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องจะเพราะอย่างยิ่งคือนักบวชของเรา หากเราไม่สามารถที่จะได้มรดได้ผลจากเพศของตนด้วยการปฏิบัติของเราซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสวาสนาอํานวอยในเวลาบวชเช่นนี้ทางอื่นก็ไม่มีโอกาสอื่นก็ไม่มีที่จะให้ยิ่งไปยิ่งกว่าโอกาสของผู้เป็นนัก บ, บวชและด้าบาเพงตนเต็มกำลังความสามารถ เพราะการมาบวชในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ถูกตั้งแน่นยำสมบูรณ์พูนผลทุกแง่ทุกมุมแห่งความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากสำหรับผู้ที่จะยอมตนมาบวชในพุทธศาสนาด้วยความเชื่อความร่วมใส่ เพราะกิเลสมันห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับน้ำในบึงที่ใสสะอาดขนาดใดก็าตามโดยมีจอกมีแหนซึ่งเทียบกับกิเลสปุกปกคลุมหุ้มห่อไวจ้จนมิดตัวถึงกับมองดูน้ำนั้นไม่เห็นไม่มีเท่ากับประหนึ่งว่าไม่มีน้ำในบึงในหนองนั่นเลยเพราะถูก จอกถูกแนะปกคลุมหุ้มห่ออย่างมิดชิดนี่ก็เหมือนกันทำที่มีที่จะต้องเกิดหรือเคยมีอยู่แล้วในหัวใจของเราและที่จะเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญของเราก็ถูกจอกแนะคือกิเลสประเภทต่างๆนั้นปกคลุมหุ้มหอ่อหรือปิดบังไว้เสียกีดขวางเอาไว้เสียไม่ให้ก้าวเดินได้ตามความสะดวก แม้ที่สุดความเชื่อในบุญในกรรมซึ่งเป็นของมีประจําสัตว์ทั้งหลายทุกตัวสัตว์นี้ก็ไม่ยอมเชื่อว่ามีบุญมีกรรมคือคือมีบาปมีกุศลมีนรกมีสวรรค์ใจสัตว์ทั้งหลายไม่เชื่อไปเสียสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายพอใจทําอยู่ตลอดเวลานั้น เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่มากถ้าว่าเชื่อก็เหมือนกับว่าจะเลยเชื่อไปแล้ว <c oughs> จนไม่ต้องมาคำนึงว่าเราเชื่อสิ่งนี้เราจะทำสิ่งนี้เพราะความอยากมีกำลังมากที่จะต้องชุดต้องลากจับตั้งหลายให้ทาตามความอยากนั้นอยู่ตลอดเวลาและทุกหัวใจสัตว์ที่มีกิเลสครองหัวใจสัตว์ตั้งหลายจึงทาความดีได้ยาก แม้ที่สุดผู้มาบวชลงใจบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่ลงใจที่จะปฏิบัติตัวตามหลักศาสนาธรรมโดยเห็นว่าเป็นของยากเป็นของลำบากเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นวิสัยของพระสาวกท่านผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาพิสมผ่านมากส่วนสิ่งที่ต่ำช้าเลวซามหาสละไม่ได้คือความไม่มีอุปวิสัยไม่มีความสามารถเป็นผู้มีวาสนาน้อยนั้น เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผู้นั้นจะยอมรับเอาด้วยความเต็มใจเพราะกิเลสปิดบังไว้ให้ไม่ให้เชื่อนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จ ะ, ะพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมหลักวินยัยอันเป็นแถวทางเดินพวกศีลเพื่อธรรมเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติผลพ้นไปโดยลําดับนั้นจึงเป็นของที่ก้าไปได้อย่างยากลําบากที่สุด และไม่ก้าวนี่สําคัญอันนี้การแสดงก็ขออภัยจากท่านทั้งหลายด้วยดังที่ผมเคยพูดแล้วความจําเวลานี้เสื่อมออมากๆพูดไปนี่มันตัดแั๊บเดียวหายเลยเหมือนกับไม่เคยเทศแล้วก็เป็นประโยคอื่นขึ้นมาอย่างนี้แหละจึงว่าต่อไปนี้จะเทิไม่ได้มันบอกคือในชัดๆอย่างเทศเดียวนี้ก็เป็นแล้วพอเทศไปหายเงียบเลยหายเงียบเลย จะเทไปได้ยังไงเงื่อนไม่ต่อกันนี่ก็ถูทายลงมาอย่างนั้นเพราะสงสารหมู่เพื่อนเห็นว่าไม่ได้เทศนาว่าการอบรมมานานผู้เข้าผู้ออกมีจํานวนมากและเข้าออกอยู่เสมอจึงต้องได้เทศนาว่าการเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องความลําบากยากเดินเฉนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแถวธรรมแห่งพระพุทธเจ้าที่ทรง สั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วมันก็ก้าวยากเดินยากไป ย, ยากถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วจะต้องถูกขีดถูกขวางอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วทุกวันนี้สิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่จะเป็นเครื่องเสริมยิ่เรียดให้มีกำลังกล้า ขึ้นจนถึงกับปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นความจริงทั้งหลายเลยนั้นกําลังมีมากขึ้นกําเริบเสบสารไปด้วยกับมันก็เพราะกิเลสถุดลากไปนั่นเองให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้ยาได้สงสัยโลกนี้ว่าจะมีอะไรแปลกต่างกันอย่างนี้ดูไปไหนก็ดูเอาเถอะความเป็นความตายความทุกข์ความยากความลําบากความกังวนกัง ว, วายปวดแฝงของสัตว์โลกนี้ไม่ว่าสัตว์ ดิรชาร์ไม่ว่าบุคคลอยู่บนฟ้าบนอากาศอยู่ใต้ดินเนื้อดินบินบนต้องเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกฎนี้เป็นผู้บังคับให้เป็นไปกฎอันนี้เป็นของสำคัญอยู่มากสัตว์ทั้งหลายมองไม่เห็นเลยนี่คือหน้าวิตกวิจารเอาอย่างมากทีเดียวไม่มีใครมองเห็นเลยนี่นี่แหละพระพุทธเจา้าทรงพระเมตาตาแก่สัตว์โลกเพราะพระองค์ทรงมองเห็น เห็นทุกจิ่งทุกอย่างเห็นทุกแง่ทุกมุมของสิ่งที่เกี่ยวพันกับสัตว์อันเป็นเรื่องความทุกข์ความทรมานก็ดีอันเป็นเรื่องความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงบรุมาสุขก็ดีพระองค์ทรงสัมผัสสัมพั์กระจ่างแจ้งอยู่ภายในพระไั่ตลอดเวลาอกาลิโกไม่มีปิดบังลี้ลับเลยนี่มองไปที่ไหนถ้าเราจะพูดตามเรื่องสายตามองไปที่ไหนมันก็รอบด้านอยู่ขอบเฉดจักรวาลนี้ เราอย่าเอามาเทียบเอามาเคียงอย่าว่าสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในเพียงขอบเขตจักรวาล น, นี่เท่านั้นขึ้นที่ว่าสมมุติมีกิเลสเป็นทั้งันเป็นเจ้าอำนาจครอบความหังใจอยู่แล้วไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีขอบมีเขตไม่มีคำว่าจักรวาลเพราะอันนี้นำมาพูดเฉย พอให้เข้ากันได้กับสมมุติเท่านั้นส่วนที่ส่วนความเป็นของสัตว์ไม่ว่าสัตว์ผู้เสวยทุกขเวทานา ม, มากน้อยเพียงไรถึงขั้นมหันต่ทุกข์ก็ดีเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้ทั้งทั้งตี้ประจักษ์อยู่ในพระไตยของพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะไม่ใช่สมมุติที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าอกเข้าใจกันพอที่จะนํามาพูด บอกนี่นั้นนี่นี้ได้และสัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจบรรดาผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสูรกรอกสู่มุมที่เป็นตาจนนั้นจะได้ถอยตัวออกมาอย่างนี้กว่าลำบากสำหรับการที่จะ น, นำมาพูดมาแนะนำสั่งสอนทั้งๆที่รอบอยู่หมดในแดนโลกธกาตุแบบนี้เต็มไปด้วย ความสุขความทุกข์เต็มไปด้วยบาปด้วยกรรมที่เผาผลาญสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีว่างมีเว้นเลยแต่ละจุดและดอนในแม่น้ํามหาสมุทรยังมีเกาะมีดอนแต่สถานที่ที่สัตว์ทั้งหลายไม่อยู่ไม่มีไม่ได้เสวยกรรมนั้นไม่มีเป็นไปหมดแล้วจะนํามาพูดได้ยังไงแยกแยะได้ยังไงความเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเนี่ยที่ว่าทรงสงสารสัตว์โลก ถ้าถ้าเราจะเทียววันน้ำหม้อน้ําร้อนก็เดือดพล่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีคําว่าปิดโรงงานให้น้ําร้อนนั้นได้เย็นขึ้นมาคือน้ําร้อนเผาสัตว์โลกเราเรายกออกมาว่าเป็นหม้อน้ําร้อนนะแต่ธรรมชาตินั้นเป็นยังไงจะเห็นได้ชัดเฉพาะผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นเท่านั้นตอนเราจะมาพูดว่าเป็นหม้ออย่างเราจะ คำว่าหมอนี้จะให้เหมือนนั้นก็เหมือนกันไม่ได้เหมือนไม่ได้เลยผิดกันเหมือนประหนึ่งว่าเป็นคนละโลกแต่เมื่อโลกมีสมบุญแล้วจะไม่ให้นำมาพูดได้อย่างไรเพื่อโลกทั้งหลายจะได้พิจารณาเทียบเทียงกันแล้วผู้ที่ควรจะยึดเป็นคติอันดีงามได้เพื่อหลีกเว้นสิ่งเหล่านี้ในการแตะทําชั่วทั้งหลายก็จะได้ละได้หลีกเว้นไปมี่เราพูดถึงเรื่องทางทางเรื่องกรรมของสัตว์โลกมีอยู่อย่างนั้น ความกว้างความแคบหาประมาณไม่ได้ความสุขความทุกข์หาประมาณไม่ได้เป็นอยู่กับสัตว์แต่ละรายละลายละลายเป็นผู้ที่จะรับเคราะรับกำหนักเบามากน้อยของตนคนอื่นไปรู้ไปไปคัดไปตวงอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยบกพร่องเลยในโลกกระทานในมีทั่วดินแดนพระพุทเจ้ามาตรัสรู้ก็ จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จะเห็นอะไรเพราะคําว่าญาณเป็นความละเอียดละออมากขนาดไหนอะไรจะมาปิดอยู่ที่จะไมพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์งคและพระสงฆ์สาวกบางองค์ที่ท่านมีปณิสัยสามารถท่านจะไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไงเมื่อความสามารถมีอยู่สิ่งที่รับที่สัมผัสจ้ำพันธ์กันมีอยู่ต้องรู้ต้องเห็นได้เต็มหัวใจท่านเช่นเดียวกันถึงจะไม่มาก เต็มภูมิเหมือนสัตว์มันไม่มากเหมือนสัสดราก็ตามถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกันกบช้างตัวหนึ่งกินอาหารบรรจุเข้าในท้องช้างนั้นมากขนาดไหนและกบเขียดตัวหนึ่งมันกินอาหารเต็มท้องของมันนั้นมันขนาดไหนความอิ่มของกบของเขียดกับความอิ่มของช้างนั้นสามารถที่จะเทียบกันได้แม้จะเป็นสตวตัวลเล็กๆก็ตาม เพราะเป็นความอิ่มด้วยกันช้างอิ่มเต็มฐานะกำลังของช้างภาวะของช้างโกบเคียดอิ่มตามกําลังของตนนี่ความรู้ความสามารถฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจ้ากับความรู้ความสามารถฉลาดแหลมแหลมคมของบรรดาสาวกทั้งหลายผู้มีความสามารถที่จะรู้จะเห็นในทางนั้นจึงเทียบได้กันกันกบ ความอิ่มของช้างกับความอิ่มของกบของเขียดนั่นแหละเป็นสักทีพยานต่อกันได้เป็นอย่างอีก <c oughs> นี่การรู้การเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เคยบกบางในโลกเลยหากว่าเราท่านผู้ใดก็ตามจะสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ตามพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ตรงเห็นตามความเป็นความมีของมันนี่ แล้วใครจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆหัวขาดก็ยอมให้ขาดไปแต่จะทําบาปทากรรมเพื่อมาเสวยทุกข์เขวยกรรมเสวยวิบากประเภทที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้จะทําไม่ได้เลยหัวขาดก็ยอมให้ขาดจะเจ็บจะปวดจะทุกข์จะร้อนในขณะที่ถูกฆ่าถูกฟันในหัวขาดนี้เท่านั้นไม่ยืดยาวอะไรเลยเหมือนตกนรกหมกไหมหรือเสวยกรรมประเภทที่ยืดยาวนานที่สุดนั้น อันนั้นมีน้ําหนักและยืดยาวดานกว่ากันมากเปลียนใดจะไม่รีบแรกรี่เปลี่ยนเอาคอเอาหัวนี่ตัดแทนทันทีแรกเปลี่ยนกันมาทันทีเอาทุกอันยอมสะละเอาทุกอันนี้ตายก็ตายเพื่อไม่ให้ไปเป็นเช่นนั้นซึ่งหากําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยนี่ถ้าสมมุติว่าผู้ใดก็ตามได้เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นดังพระพุทธเจ้า ทั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและพระสาวกผู้มีความสามารถได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นแล้วผู้นี้ก็เห็นอย่างนั้นจะเป็นกี่รายก็าตามเหล่านี้จะเป็นผู้ยอมตัดศีรษะเจ้าของตัดคอตัดหัวเจ้ า, จาของเพื่อบูชาความดีทั้งหลายเอาทุกขนาดคอขาดเพียงเท่านี้ชัว่วระยะเดียวเท่านั้นไม่นานอะไรเล ย, เลยไม่เหมือนที่จะไปจมอยู่กับ อำนาจแห่งนิบากกรรมนั้นด้วยการทําชั่วที่ที่ตนไม่รู้สึกตัวเลยนั่นมันทําให้เกิดผลขนาดไหนแผลเปรี้ยขนาดไหนนั่นะสําคัญมากจึงต้องเสียสละเสียตั้งแต่คอนี้ไม่มากนิดเดียวเพื่อแรกแบบไม่ให้ไปลงในสถ า, านที่นั้นหรือไม่ใหไ้ไปแบกกรรมประเภทนั้นพตันอย่างที่ท่านว่าไฟนระกไฟโลกไฟของเรากับไฟโลกต่างกันอย่างไร เพียงเทียบกันเพียงเทียบว่าไฟไฟเท่านั้นนะไฟนรกเป็นอำนาจแห่งกรรมไฟในเตานี้เป็นไฟหลักเป็นธาตุที่ดินน้ำลมไฟเป็นธาตุไฟธรรมดาผิดแปกกันอย่างไรบ้างกับไฟในแดนนรกกับไฟแห่งบาปแห่งกรรมที่แผ่เผาเจ้าของซึ่งเจ้าของเองเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาพื้นไฟเหล่านั้นด้วยการทาบาปทํากรรมต่างกันอย่างไรบ้างนี่ผู้นั้นนะ่ะเป็นผู้เสวย เราเราพูดเป็นความเทียบเทียงเพียงตอนนี้เนี่ยพระพุทธเาจ้าจึงทรงเมตตาสัตว์โลกเอามากมายผู้ที่จะควรบุดพ้นให้ไปได้เสียโดยท่าเดียวเท่านั้นไม่ต้องวกเยียนกลับมาตกหลุมตกบ่อซึ่งเต็มไปด้วยบาปด้วยกรรมด้วยฟืนด้วยไฟดังที่โลกธรรมดาแบบนี้ไม่เคยเสวยกัน แต่พวกนี้ได้สวยเนะ่ะได้พ้นอันนี้ไปเสียเป็นที่พอใจแล้วนะนี่แหละพะพุทธเจ้าที่ทรงสอนโลกทรงทอพระไทยก่อนก็เพราะว่าทำนีลทำทน่ละเอียดมากทำที่ปรัสรุนี่ละเอียดมากนี้เมื่อกระจายออกไปถึงสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้ก็เต็มไปหมด ไม่มีสัตว์ตัวใดจะสามารถรู้ได้เห็นได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เต็มอยู่อย่างนี้ไม่มีใครจะเชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เต็มแดนโลกธาตุและไม่มีใครจะเชื่อเชื่อถือได้จะทําตามได้จะงดเว้นได้ตามที่ทรงสั่งสอนเหล่านี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงทอผัสถ่ายทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์สามัญธรรมดาเราแม้ในขัง้งพุทธการผู้มีบุตตะใสก็เถิดผู้ที่มีอยู่ปริตะใส และผู้จะไม่เชื่อนั้นมีจํานวนมากมายขนาดไหนนั่นแ่ละทําเป็นเหตุให้ทรงท้อพระไทยเมื่อทรงพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังถึงภาพปฏิบัติปฏิวัตาถึงความตัดสู้ว่าธรรมพิเศษนี้รู้มาจากไหนเห็นมาจากไหนเห็นมาด้วยเหตุผลุ่งกายอะไรจึงได้ตัดสู้นี้ก็เป็นสิ่งที่จะรปรองพระไทยลงหน้าในการสั่งสอนสาตว์โลกสําหรับผู้ที่จะผ่านพ้นไปได้พระ อ, องค์ท่านยังมีอยู่มากมายอะและศาสตว์โลกผู้ที่ พอที่จะรู้จะเห็นจะปีกจะแวะจากกรรมหรือว่ากรรมหนักให้เป็นเบากรรมเบาให้ผ่านไปได้นี่ก็มีอยู่แยะเอาจะไมาให้มีมากไม่มีมากเหมือนแดนนรกที่สัตว์ทั้งหลายกําลังสวยเต็มอยู่นี่ถ้าเบลนตาเราก็เต็มตาจนตาจะลูกกตาจะแตกแล้วอย่างนี้ก็ตามมี น, น้อยก็เอานี่ยยิ่งทรงขวนขวายแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตานี่เป็นของสําคัญหลวงมากนะธรรมะประเภทเหล่านี้ ใครจะนํามาสอนโลกได้เพราะไม่มีใครรู้ว่า ม, มีใครเห็นนอกจากที่ว่าเป็นจอกกำแหงเที่ยวปิดเที่ยวปกเที่ยวคุมไว้หมดมีขนาดไหนก็ไม่ให้ไหมน้ําจะมีลึกมีตื้นขนาดไหนจะสายสะอาดน ข, นขนาดไหนจอกแหงจะไปปิดปกคลุมหุ้มหอ่อไว้อย่างมิดชิดไม่ให้มองเห็นน้ําเลยนี่คือตัวกิเลสที่มันครอบอยู่ในหัวใจสัตว์ไม่ ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้เชื่อตามหลักความจริงที่พระพุทธเจา้าฤทธธรรมท่านประกาศสอนไว้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่จึงมีโอกาสมากที่จะต้องไปเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นนี่ยแพระองค์จะไม่ทรงเท้อประทอ ย, ย่างไงเพราะจอกแหนมันเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยคือเกล็ดมันหนามันแน่นอามากมายกากองความจริงมันเกล็ดไม่ให้ยอมไม่เชื่อเลยให้เชื่อแต่ของจําปองของมันที่มัน ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วเป็นโอชารดโอชารดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปทางตาทางหูชมุดอย่างมนุษย์เราทางจมูกทางลิ้นทางกายมีตั้งแต่เรื่องโอชารดเครื่องหลอกลวงจิตใจให้ลุ่มให้หลงให้ติดให้พันทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเปิดโอกาสพากดานจิตใจนี้ให้หลุดลอยออกมาได้เพราะได้เห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้ในบรรดาสิ่งสัมบัติสัมปันทั้งหลายไม่มีเลยจะทําไงนี่แหละที่เรียกว่าโอชารดของพิเนและสัตว์แต่ละประเภทประเภทมี วิเศประเภทต่างๆที่จะให้หมอเหมาะกับสัตว์กับบุคคลบุญร้านสัตว์ทั้งหลายจริงต้องได้เสวยกรรมต่างกันต่างกันไม่ได้เหมือนกันมีมากมีน้อยแต่รวมแล้วก็คือกองทุกนันนี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาสั่งสอนถ้ า, ากว่าเป็นธรรมดาเราเราก็อยากจะเดาว่าทรงห่วงใยสัตว์โลกนี้เป็นนักเป็นหนาเวลาจะผ พ, พาน เฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่นั่งห้อมล้อมอยู่ในนั้นยัง ม, มีพระวารีขึ้นว่าฮันดาดีพิเกามัตยามีวพิเกลสร้างท่าราประมาดีลราสั้าป่าเดียาดานลูกขอนวิสุททั้งหลายวันนี้เราเตือนท่านทั้งหลายหรือเธอทั้งหลายมาสังขารธรรมสังขารทั้งภายนอกภายในนั่นแหละเป็นของไม่แน่นอนอย่าไปเชื่ออย่าไปถืออย่าไปยึดยอย่าไปเกาะออืถ้าเกิดแล้วดับคือมันพังทั้งนั้น ให้พิจารณาสังขาลธรรมทั้งหลายนี้ด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออย่างไรความประมาทคืออย่างไรในเวลานั้นท่านสอนไม่มีประชาชน ญ, ญาติโยมท่านไม่ได้กล่าวไว้ในคมภีรเลยว่าประชาชน ญ, ญาติโยมมีอยู่ในสถานที่นั้นนอกจากพระสงฆ์ที่รวมกันอยู่นั้นเป็นจำนวนมากตอนนั้นยิงประธานพระาวาดให้ให้พอเหมาะพอสมกับพระสงฆ์ผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์และในสังฆมณฑลนั้นก็ พระอริยบุคคลขั้นพระหันก็มีอยู่เยอะนะผู้ที่กาลังก้าวที่จะหลุดพ้นก็มีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะประทานให้พอเหมาะพอดีกับภูมิแห่งนักบวชทั้งหลายซึ่งมีควา ม, วามเดิมล้ำต่ําสูงต่างกันในด้านธรรมะตึงต้องประทานพระวิราชอย่างเด็ดเด็ดไว้เผ็ดเผ็ดต้นร้อนให้ได้ซึ้งถึงใจได้แก่สังขารธรรมสังขารธรรมนี้จะหมายอะไรหมายภายนอกก็อย่างทิ่ตาเราเห็นนั่นมีอะไรเที่ยงในโลกนี้ แต่ผู้ปฏิบัติไม่สิ่งเหล่านี้ท่านพิจารณามาสักพอแล้วสังขารธรรมภายในเนี่ยที่มันเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดได้แต่สังขารธรรมของสมุทไทยที่มันผลักมันดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้แต่งว่านั่นดีอันนี้สวยอันนั้นงามอันนั้นน่ารักใครอันนี้น่าชอบใจอัน น, นอันนั้นน่าเปรียดอันนี้น่ากลัวเนี่ยสังขารธรรมประเภทนี้ท่านให้รู้ชัดในสังขารธรรมทั้งหลายสังขารธรรมประเภทนี้เลยเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลก ให้ล่มให้จมตลอดมานี่จะเป็นสังขารละธรรมประเภทไหนอันส่วนหยาบๆเหล่านั้นก็กมีแต่ถ้าพูดถึงน้ําหนักแล้วอันนี้เป็นต้นเหตุไปปรุงไปแต่งสิ่งเหล่านั้นให้ดุม่มให้หลงเพิ่มเติมเข้าไปอีกแม้ที่สุดดูลาพังตนเองก็ปรุงก็แต่งอยู่ภายในนี้หลอกตัวเองอยู่ภายในแล้วไปเห็นไปเจออะไรเข้าไปวนี้ก็หลอกไปเป็นขั้นๆตอนตอนไปเจอรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสอะไรมาสัมผัสสัมพันธสมีแต่สังขารละธรรมนี้ออกหลอกออกลวงออกต้มออกฝุ่นตลอดเวลา แต่พระ อ, องค์จะมาประธานพระ อ, อาวาสเพื่อให้พิจารณาตัวสําคัญคือตัวนี้เราท่านต้องประทานนี่เนี่ยหมายถึงสมุทยัยสมุทัยประเภทนี้เป็นได้ทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสุดอยู่ในสังขารธรรมนี้ทั้งนั้นพระ อ, องค์จึงรวมมาประทานพระ อ, อาวาสนี้ไว้ในจุดเดียวนี่เนี่ยทรงหังใหญ่ไหมล่ะหัวใหญ่ประสงค์พิจารณาสินี่แหะท่านผู้มาปฏิบัติทั้งหลาย จงทำให้จริงให้จังเราอย่าสงสัยลนโลกนี้ว่าจะมีอะไรแปลกประหลาดจากความเป็นมาและความเป็นอยู่อย่างนี้แม้อนาคตก็จะเป็นอย่างที่เคยเป็นอยู่เป็นมาว่าเหมือนกับมืดกับแจ้งนี่แหละมันมืดแจ้งมันสักเท่าไหร่แล้วเรื่องมืดกับแจ้งเนี้จนกระทั่งมาถึงวันนี้มันมากี่กับกี่กันแล้วแล้วจะไปครั้งหน้ามันจะเอาความมืดความแจ้งแปลกประหลาดมาจากไหนมันก็เหมือนเหมือนกันๆเหมือนกันนี่แหละมีร้อนรอนหนาวหนาอย่างนี้ในโลกอันนี้มีดีมีชั่วสับปลันไปอย่างนี้ น้ำปัดน้ำพันมาแล้วก็มีแต่เรื่องพังไปพังไปพังไ ป, งไปอยู่ด้วยความหมดหวังหวังอะไรไม่สมหวังมีแต่เรื่องทําลายความหวังของเราทําลายความหวังของเราทั้งนั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปหลงแล้วก็เหมือนกับข้าวโคงจักมันก็พันเอาพันเอาแหลกไปแหลกไปแหลกไปเนี่ยเข้าควคงจักเป็นอย่างนั้นพระอาจารนจึงสอนอัดสัมทำเนี่ยวธรรมจักอ้ า, า, าจากัาจากคือธรรมให้หมุนติ้วกิเลสตัณหาอจวะทั้งหลายขาดจะบัน้นไปดังเบญจวัคคีทั้งห้านั่นเลยพิจารณาอย่างนี้ย้อนเข้ามา สงสัยอะไรความคิดความปรุงนี่มันตั้งแต่วันตื่นขึ้นมามันกระปรุงแล้วแล้วเสียดายอะไรกับความปรุงเหล่านี้มันได้เหตุได้ผลได้สาระแก่สารอะไรถ้าปล่อยให้มันปรุ ง, งธรรมดามดีตั้งแต่เรื่องของกิเลสสร้างตัวทั้งนั้นสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างพอพกปรุงกาลังของตนให้มีมากขึ้นมากขึ้นเพื่ อ, อยับย่ําทําลายหัวใจของสัตว์โลกผู้ลุมหลงนั่นแหละจะเป็นอะไรไปไม่มีอะไรแปกต่างจากนี้แล้วเราจะไปเสียดายไปอะไรไป อ้อยอิงอะไรกับมันนางนาทั้งเรื่องสังขารนันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสพัน์กับทางออกของกิเลสคือตางหูจมูกเลี้ยงกายนี่เป็นทางออกของกิเลสที่จะเที่ยวหากินอออกไปก็ออกไปไหนก็ออกไปหากินกินก็คือกินยาพิษนั่นพวกเรามันกินเป็นโอชารสของมันหลอกเราให้ไปกินให้ตื่นให้เต้นไปตา ม, มแล้วก็หลงแล้วก็มาเป็นยาพิษเผาลุ่นตัวเองเนี่ยที่มันน่าเส ด, ดายที่ตรงไหนเอาประมวลมาสี่นักปฏิบัติ พิจารณาให้ชัดเจนวงปัจจุบันคือสติกับใจอย่าให้พลากจากกันนี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวนะสติกับใจนี้อย่าให้พลากจากกันไม่ว่าจะเป็นธรรมะขั้นใดภูมิใดสติเป็นภาคพื้นเป็นสําคัญเรียกว่าเป็นหนึ่งเลยอัปัญญานั่นเป็นอันดับต่อไปต่างหากแต่เมื่อถึงขั้นที่จะสําคัญเท่ากันนั้นก็เป็นอีกแง่หนึ่งของภูมิแห่งธรรมผู้ปฏิบัติในเวลาเบื้องในขั้นต้นนี้สติจึงเป็นของสําคัญวิธีการฝึกทรมานตนเองนั้นให้สังเกต เจ้าของฝึกวิธีใดทําอะไรมากเป็นผลอย่างไรมากเป็นผลอย่างไรนั่งมากเป็นยังไงเดินจงกรมมากเป็นยังไงนี่ยให้สังเกตให้ดีสติมีอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลต่างกั น, ยงง อ, น, อ, น, นอย่างไรบ้างอดนอนเป็นยังไงสติมีอยู่นั่นแหละอดนอนกับสติอดอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยความเพียรเหมือนกันพรอร่อนอาหารเป็นยังไงอดอาหารเป็นยังไงต่างกันอย่างไรบ้างทั้งๆที่มีสติอยู่ด้วยกันทุกอาการแห่ง การประกอบความภาคเพียนแล้วผลต่างกันอย่างไรบ้างนี่ให้สังเกตตัวเองทาไมสังเกตไม่ได้เรื่องนะการปฏิบัติตัวเองต้องใช้ความสังเกตสอนลู้อยู่เสมอแล้วคิดแปลงเปลี่ยนแปลงไปร้อยสรรพันขมไม่งั้นไม่ทันกิเลสกุมายาของมันแหลมขมมากเคยได้พูดมันรู้กี่ครั้งกี่หนแล้วนี่พ่ออะไรจึงพูดมันถึงใจเรื่องการมาเพืปฏิบัติตัวเองระหว่างทํากับกิเลสฟัดกันนี่ร่างกายของเราก็เป็นเป็นเวทีใจ ดวงนั้นกับกิเลสกับทําฟัดกันบนหัวใจนั้นก็เป็นเวทีเวทีสองชั้นชั้นหนึ่งคือร่างกายต้องได้โอดต้องได้ทนต้องได้ทรมานร่างกายบอบช้าไปกับเรื่องการต่อสู้กับกิเลสนี้มากมายขนาดไหนลืมได้ยังไงนี่อันหนึ่งแล้วภายในจิตก็เหมือนกันจิตกับกิเลสฟาดกันนี่กไ็ได้รับความทุกข์ความลำบากขนาดไหนที่เวลาธรรมะมีกําลังน้อยมีแต่กิเลสเยียบย่ําหัวใจอยู่ยตลอดเวลาขึ้นไปไม่มีเวลาได้ต่อยเขาเลยมยยยีแต่กิเลสต่อยเอาต่อยเอาเตะเอาถีบเอา อยตลอดเวลาบนเวทีนั่นละ่ะกิ้งไปกิ้งมาอยู่บนหวัวใจของเราเนี่ยมีมากขนาดไหนพอธรรมะมีกําลังบ้างก็ฟาดกันก็เห็นกันอยู่นั่นนั่นแหละหวัวใจเราจรึงเป็นเวทีขั้นอันดับหนึ่งร่างกายขงเราเป็นเวทีที่สองเป็นภาชนะที่สองที่ ร, รับกันไว้แล้วมากระทุกด้วยกันนั่นแหละเราต้องได้ใช้ความพิจิตรณาแล้วจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นอย่างพออาหารเป็นยังไงส่วนมากผู้ปฏิบัติทั้งหลายในวัยของพวกเรานี้น่ะ การผ่อนอาหารเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าวิธีอื่นถึงจ ะ, จะถึงจะนั่งมากก็ตามนั่งมากด้วยการอดอาหารผ่อนอาหารต่างกันกับนั่งธรรมดานะส่วนเดินมากเราไม่อยากจะพูดเพราะการอด อ, อาหารนี้ผ่อนอาหารอดอาหารนี้อดไปมากๆมันเดินมากไม่ได้นี่เราเ ค, เคยเป็นมาแล้วเดินไม่ดุไ ม, ไม่ได้กดีดกัลมมันก้าวไม่ออกแล้วมันอ่อนแต่สำคัญที่หัวใจนั่นสิ ไม่ได้อ่อนดีดผึงถึงอยู่ภายในนั้นมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองแล้วพูดให้เต็มปากก็คือกลางหัว อ, อกนี่แหละอยู่ท่ามกลางอกนี้สร้งาง่าภาเผยสว่างกระจ่างแจ้งอัศจรรย์อยู่ในนี้นี่เวลามันถูกกับการฝึกทรมานด้วยวิธีใดมากจะแสดงอย่างนั้นเช่นการอดอาหารอดไปเท่าไหร่หลายวันเท่าไหร่ ร่างกายของเรายิ่งอ่อนลงอ่อนลงหากําลังไม่ได้จะ ก, ก้าวเดินไม่ได้แต่ใจก้าตวตัวตลอดเวลาหนักก้าวด้วยความสง่าผ่าเผย่ก้าวด้วยความมีสติแก่ก้าวสามารถเนี่ยปัญญาก็คล่องตัวหนักมันก้าวอยู่ในภายในหัวใจร่างกายนีมม่มันเป็นสิ่งอาศัยและเป็นสิ่งที่จะเสริมให้ตัดทอนทางด้านธรรมด้วยถ้ามีกําลังมากแล้วมักจะนอนก็จําก็มากนอนก็ไ ม, ม่อิ่มนั่งก็ สรรงกงกงินเนี่ยแล้วอันสําคัญที่สุดไม่ได้หมายถึง่าแสดงในทางอวัยวะร่างกายนะมันแสดงอยู่ภายในสําหรับผู้ที่มีสติดูหัวใจตนแล้วกิจเคลื่อนไหวไปยังไงมันจะทราบทันทีทันทีนี่ที่สําคัญที่สุดของร่างกายที่เป็นเครื่องเสริมได้ไ ง, ง่ายๆก็คือราคะตันหาอันนี้ง่ายนะเร็วหนุนได้เร็วมันจะแสดงอยู่ภายในนั่นแหละ ยิบยีบยิบเยีบขึ้นอาการอะไรมีแต่อาการเรื่องของราคาตาและไม่เกี่ยวกับอะไรนะไม่ได้เกี่ยวกับรูปกกับเสียงกับหญิงกับชายอะไรมันทัก บ, บอกเรื่องของมันอยู่ในนั้นแหละมันดิ้นมันดีบอยู่ภายในให้เราลุ้ยคนเราผู้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดเพื่อจะสังหารธรรมชาตินี่ที่เห็นว่าเป็นภัยเต็มหัวใจอยู่แล้วทําทําไมจะไม่เจ็บไม่แสบผลเราต้องเจ็บต้องแสบมามากมายทีเดียวนั่นนะฟาดกันลงแล้วอุบายใดที่จะผุดพละมัน ให้อ่อนให้สิ่งเหล่านี้อ่อนเราต้องหามาทันทีคว้าหาทันทีเอากันทันทีสู้กันทันทีทรมานกันทันทีนั่นให้เป็นอย่างนั้นให้สังเกตนักปฏิบัติทั้งหลายไม่สังเก ต, ไ ม, เกตไม่ได้เรื่องนะการปฏิบัติธรรมะใช่เ่าเดินก็สักงแต่ว่าเดินนั่งสักแต่ว่านั่งไม่ทราบว่าจิตเป็นยังไงสติเป็นยังไงได้ประโยชน์ได้ผลยังไงบ้างไม่ปรากฏมีแต่ทาไปทาไปมันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาเดินเขายืนเขานั่งกันไม่มีธรรมะอะไดที่เป็นผลประโยชน์แต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ใช้ใช้ความพินีพิจารณานนัเลย ยังขอให้ท่านทั้งหลายเดีนี้พิจารณานี่ก็ได้พูดให้ฟังแล้วนับวันที่จะอ่อนลงอ่อนลงอย่างที่เห็นนี่เทศไปนี่ขาดว่าขาดตอนขาดเรื่องขาดราวไปเพราะความจํามันเข้าตัดความจํามันหลงมันลืมมันขาดตัดขาดไปเลยหาเงียบไม่ทราบว่ามาเงือนไหนจะต่อไปเงื่อนใดมันไม่ต่อกันแล้วจะเทศไปได้อย่างไงแล้วตั้งใหม่เนี่ยอย่างนั้นเลยพอเทศไปเทศไปแล้วขาดอีกแล้วตั้งใหม่อีก พราะมันไม่มีเนื้อต่อกันเนื่องจากสัญญามันขาดทั้งมันขาดทั้งมันอสัญญานิจาริวสัญญามันขาดพังกระายลงไปก็ได้ผิดอะไรยังไงท่านทั้งหลายด้ยพิ่นี่พี่แยนายาอยู่เฉยๆเวลานี้ครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายนี่นับบรนหมดไปหมดไปขอให้เราได้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราเป็นที่แน่ใจเถอะด้วยการ ได้ไปศึกษารวมกับครูบาอาจารย์แล้วนํามาคุยปฏิบัติให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แจ่หัวใจของเราอย่าเห็นสิ่งใดเลิอดยิ่งกงหัวใจกับทำครองกันถ้าหัวใจกับทำได้ครองกันแล้วไม่ว่าสมาธิทำเป็นประเภทใดก็ขั้นใดก็ตามปัญญาทำขั้นใดก็ตามมีเดอรเรื่องที่ว่าผ้าสุกสบายผาสุขสบายเป็นอย่างน้อยและแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นไปเดิมลำดับมีความ แก๊งขาวดาวกระจ่างขึ้นภาณใจิตใจสิ่งนี้ไม่เคยรู้ก็รู้ถ้าอุปนิสัยาสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นมันจะปิดไม่อยู่กระจ่างไปหมดเลยไม่เคยเห็นเมื่อวันเกิดก็ตามพอเปิดออกแล้วตามอุปนิสัยของตัวเองนั้นมันจะเห็นไม่หมดใครไม่ว่าไม่เห็นก็ตามเราจะเชื่อใครก็เชื่อความเห็นต้องเจ้าของเชื่อความรู้เจ้าของที่มันเห็นกันอยู่อย่างนี้เหมือนอย่างเรามองดูต้นไม้หรือมองดูกระถนเห็นไมมกระโถนคนตาดีอยู่แล้วเห็นไหมกระถน ใครจะว่าไม่เห็นก็ตามคนตาบอดมีกี่มือกี่แสงกี่ล้านคนเขาบอกไม่เห็นจะไปเชื่อคนตาบอดนั่นเหรอไม่เชื่อความตาดีของเราที่มองเห็นกระโถนประจักอยู่ในหูตาของเรานี่เหรอนั่นนั่นแหะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นจักสุญานสามารถมองทะลุได้หมดเลยโลกทั้งหลายเป็นโลกตาบอดพระองค์เอาถือเป็นประมาณได้ยังไงถ้าถือเอาโลกเป็นประมาณแล้วพระองค์มาสอนโลกทําไมนั่นก็ถือเอาความจริงเป็นประมาณพระองค์ทรงรู้จริงเห็นจริงนั้นําความจริงนั้นมาสอนโลกนั่นอันนี้ก็เหมือนกันนีเป็น เป็นแยกออกไปอีกประเภทหนึ่งประเภทสําคัญก็คือเรื่องมรรคเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นจากการภาคปฏิบัติของตอนนี้ให้พากันเอาจริงเอาจังยาได้เห็นอะไรเป็นของสําคัญยิ่งกว่าใจที่ทีครองทำหรือทำครองใจอันนี้เป็นของสําคัญมากนะผู้ทีเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเลิ่อนเลืเ ล, เลืให้มันเห็นประจักษ์ในหัวใจอย่างอยากเพียงแต่ว่าคาดเดาเกาหมัดเฉยๆนั่นมันโลกเขาคาดได้ใครคาดได้เวลามันขยันมันก็คาดแล้วก็ทําบําเพ็ญความดีไปนี้หน่อย แล้วความที่เกียดเข้ามาขวางแล้วก็นอนเสียจมไปเสียน่ะถ้าลงมันไปจากใจนะ่ะอะไรจะมาขวางได้มันต้องพุ่งพุ่งพุ่งเลยความไม่ประเสริฐเป็นเครื่องดึงดูดอความความประเสริฐเป็นเครื่องดนึงดูดไปมันจะมันจะไม่ดูดมันจะไม่พุ่ ง, พ, งพุ่งไงนั่นตั้งแต่ความเร็วมันดึงดึงมันยังพุ่งพุ่งไปกับกิเลสเห็นไหมกิเลสเป็นความเร็วในภาคธรรมะท่านยกท่าแยกว่ายอย่างนั้นทําเป็นของเลอกิเลสเป็นของเล็ว หลังจากคีดเรียนมันดึงมันยังดูดมันยังสามารถดูดไปได้มันมันก็มีรสชาติของมันประเภทหนึ่งแต่รสทั้งหลายไม่มีอะไรสู้รสทำได้ท่านก็บอกวไว้แล้วในนั้นเมื่อถึงขั้นรสทำมีอํานาจแล้วก็อย่างอย่างเดียวกันอะไรมาผ่านมาได้คิเลียนนี้มาผ่านมาได้ไม่ว่าประเภทใดเป็นขาดสะบั้นไปหมดไปหมดนั่นแหละท่านบอกทำกล้าแต่ว่าสติปัญญากล้าก็ถูกไม่มีอะไรผิดและละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกก็เรื่องของสติปัญญาที่แหลมที่คมที่ ค่องตัวที่ซุมซาบไปนั้นยังไม่ีอีกมี อ, ก อ, กอีกอีกที่จะสังหารเจลีบประเภทต่างๆจนวทั่งไม่มีอะไรเหลือซ่ากติดหัวใจอยู่เลยนั่นประสิทธทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้ น, น, นเนี่ยพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเลากัเทศสอนหมู่เพื่อนมาก่อนนานแสนนานอยากเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการแนะนำสั่งสอนด้วยการปฏิบัติของหมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาแล้ว จากตนได้มากน้อยอย่างไรเพราะการเทศนาว่าการนี้ก็เคยพูดใน ห, หมู่เพื่อนฟังแล้วไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนก็บอกแล้วเวลาสงสัยเวลาล่มลูกคานก็เล่าให้ฟังหมดเป็นยังไ ง, งไงก็เล่าให้ฟังหมดเวลาสอนไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าล่าลูกค้านก็สอนอย่างที่เห็นประจักษ์อยู่นี้สอนอย่างเต็มภูมิเต็มภูมิเพราะความเมตตาสงสารนั่นแหละที่เราจะแหวกว่าแหวกว่าตาเกิดแหวกว่าตาเกิดสัมผัสสัมพันธ์หรืกี่ยวพันมันไปกับปืนกับไฟกับ ความสุขบ้างทุกบ้างหรือทุกมากทุกมากหรือสุขน้อยทุกมากมันมีมาสักหลายแล้วจะเป็นไปอย่างนี้ไม่เป็นนอกจากนี้ไปเลยนี่ฟังเลยแล้วจะแบกจะหามันไปเนี่ยทุกที่จะเกิดไปติดตามมันไปกับความเกิดความเกิดความเกิดนี้แล้วความเกิ ด, วว ก, ดก็เกิดไปตามบุญตามกรรมซะด้วยนะอืมแต่บุญมีก็เกิดก็ได้รับความสุขถ้าบาปมีก็ได้รับความทุกเนี่ยนั่นเรียก ว, ว่าตามบุญตามกรรมนั่นไม่มีอะไร ที่เป็นของแน่นอนนอกจากลุคั้งนาติอชาตัสสะฟาดมันแหลกหมดเชื่ออันใดที่จะพาให้เกิดอีกไม่มีเหลือแล้วทุกจะมาจากไหนนั่นเนีย่ยดลุคั้งนาติอชาตัสสะทางอ ย, าทาอย่างคุรุก้ท า, าท่านเป็นอย่างนี้ราษาว่าขหมายท่านเป็นอย่างนี้อันที่แนะนําวันนี้มาพูดไม่มีอะไรในโลกอันนี้ที่เด่นยิ่งกว่าคําว่าลุคั้งนาติอชาตัสสะมาเกิดนั่นแหละ ด้วยความมือสุดใจเลิดปรามังสุขังปรามังสุขังคือท่านผู้ไม่เกิดนั่นเองเป็นผู้ทรงปรามังสุขังนี้ไว้ผู้ยังเกิดยี่ยงยังไม่จัดว่าเป็นปรามังสุขังเพราะปรามังสุขังเป็นคุณสมบัติของท่านผู้สิ้นจิตเลืเรียบร้อยแล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรเหลือนะแล้วจิตดวงนี้แหละจิตดวงที่ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้ถ้าเจ้าของมีความใฝ่ใจแค่ต่อคันการปฏิบัติให้ที่เดลื มาหลอกมาลวงเอาไปต้มตุนจะต้มสุญจะทั้งวันทั้งคืนแล้วยังไงก็ได้ของไม่เป็นอย่างอื่นเอายากก็ยากสิการตกทุกข์ลำบากอยู่ในวัฏฏ์ตสงสารนี่มันยากมันนานขนาดไหนปันหากําหนดกดเกณฑ์ได้เมื่อไรการประกอบความเพียรเอาตายก็สู้นี่มีกําหนดเอ้าถึงตายเท่านั้นไม่ตายให้กิเลสตายน่ะมีกําหนดเอาฟันหมดในช่วงชีวิตของเรานี่นถึงแค่ตายเอากิเลสไม่ตายเราตายสติปัญญาศรัทธาความเีมีขนาดไหนฟาดมันลงฟันลงเนี่ยสุดท้ายเราก็เห็นกิเลสตายต่อหน้าต่อตาเราเห็นไหมสิอืม มันตาอ ย, าย อ, อยู่ในหัวใจนี่เพราะกิเลสอยู่ในหัวใจเกิดในหัวใจดับที่หัวใจฆ่ากันที่หัวใจด้วยอดด้วยทำบาง น, นี้ส่นานบอกโกรธทั้งคาตวาสุขังเสตติฆ่าความโกรธแล้วอยู่เป็นสุขนะบางทีกิเลสคิดว่าขึ้นกิเลสเกิดจะเป็นอะไรไปกิเลสสร้างคตวาสุขังเสติจะเป็นจัผิดอะไรไปแล้วความโกรธก็เป็นกิเลสเอากิเลสครอบไปหมดเลยเป็น สาฐนะฆ่ากิเลสได้แล้วอยู่เป็นสุขจะกิดอะไรคัตตวะสุบ ข, ขังเสสุขฮนะกิเลสมีเท่าไหร่ข้าหมดแล้วเป็นสุขนะทำยกมาเพียงเอกเทศเราโกทั้งคัตตวะเพา ผ, ผู้ที่มีความโกรธมากขัก้นกระสอนไปจุดนั้นอฆ่าความโกรธแล้วมันสุขหนา่หลังนั้นหนระือ ท, ที่มาคำว่ากิเลสครอบเนี่เลยฆ่ากิเลสตายแล้วมันสุขหนาะเป็นบรมสุขอนะเหนื่อยแล้วนะเอาละพอ อย่างนี้แหละเทปดีว่าไงมันไม่ได้หน้าเดี๋ยวล้าอไปมันทนเอางั้นแหละมันวันนี้เทปไม่ได้เรื่องนะผมนะมันเป็นอย่างนี้มันขาดไปเรื่อยอย่างนี้แหละตั้งยาเห็นไหมต้องคิดพิจารณาไปเลยยิ่งทำมโหฬานี้ยิ่งอัศจรรย์นะไมแหมยู่งั้นแหละผมมันไม่ใช่วิสัยของโลกแต่รู้ได้เห็นได้นี่มันเมื่อจะเที่ยวเข้าไปแล้วมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนคน พวกสัตว์ทั้งหลายอันนี้เหมือนพวกมนุษย์มน่าก็ตามมันเหมือนสัตว์มันผิดขนาดนั้นห่ะภูมินะภูมิของสัตดาที่ทรงรู้เห็นซะหมดเลยแล้วก็พวกเราไม่เห็นซะหมดนี่สิฟังสิมันมันไม่เห็นทั้งหมดอะไรก็ไม่เห็นทั้งนั้นพอเอาตาตาบอดดูนี่ว่าม็นอะไรแหน่อยอย่างคือผมว่ามันมันเทพไปแล้มันหายเบเลยตกไปไหนไม่รู้อันี้ก็ไปจับเอาใหม่เลยสิทีเมื่อมันเงื่อนไม่ต่อกัน แต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้มันเปลี่ย่ไง้ยังไแล้วลต่อไปนี้จะเทไ่ไหมแรกก็ บ, บอกแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละดจะอะไรมาเท่พูดก็หลงหน้าหลงหลังไปแล้วเนี่ยนีอาขันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอามาใช้ไม่ได้แล้วมันดุบมันรุ่ยไปเหมือนรถเครื่องนั้นเสียแล้วเครื่องนี้เสียชำรัเสซ่อมอันนั้นเอานี้เสียซ่อมอันนั้นนี่เสียเดี๋ยวสุดท้ายก็เสียไปหมดเลยทิ้งเป็นเศษเลยนะนั่นนี่ร่างกายของเราเป็นอย่งนั้นมันเสียมันเสียรูป อากายนี้มันก็เป็นเครื่องมือนะสัญญาทั้งขานวิญญาณ น, นี่เป็นเครื่องมืออย่างที่เวลาเราใช้ในการเทศน์นี่เอารูปคือร่างกายของเรานี่กับสัญญาทั้งขานเนี่ยหนักมากอยู่สามอันนี้แล้วมันชารุดไปเราทําไงมันหดเข้ามาหดเข้ามานะแปดอยู่มากนะเพราะธาตุขันนี่แหละพาให้เป็นนะ ก็ก็จาก็เรีย ก, ก, ก, ก, ก, กสมมุติเหมือนกันนั่นแหละที่หดเข้ามาหดเข้ามาเนี่ยเหมือใจแท้มันไม่ได้มีเคลื่อนมีไหวอย่างว่านี่มีความเคลื่อนไหว อ, อะไรใจแท้ความเคลื่อนไหวมันต่างมีแต่เรื่องของสมมุติที่อาศัยใจนั้นออกมาเรงนี้ทีในใน่มันหดมันหดมันหดมันย่นเข้ามาเนี่ยมองเห็ในใครใครก็ตาม ม, มันหดมันหลบมันหลีกมันไม่อยากเล่นด้วยคือมันเหมือนก็นยกสูงนี่มี ใ, ใครก็มาถามจะตอบเขาหนิเขาไม่อยากตอบประการหนึ่งที่เดินมีสบ่บาเนี่เราพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทําของเราไปโดยอย่างมันไม่ยุ่งกับใครแล้วมีคนมาถามนี่นนมันเหมือนกับ ม, มากระตุกลเลยกําลังพิจารณาอะไรอยู่นี่มากระตุกเลยนี่อันหนึง่งทําให้ขาดลักขาดตอนถามพูดไปแล้ว มันก็เป็นเรื่องหนึ่งขึ้นมาประโยคหนึ่งขึ้นมาใช่ี่ยมันไม่สืบไม่ต่อกันไปเขาใครไม่ไปเขาใครไม่เป็นก็จะไม่ทราบจะพูดว่าไงพูดก็ดีไม่ดีก็เขาก็จะว่าเราเป็นบ้าไม่ร้ายไปวะพูดอะไรเหมือนดูเรื่องเนี่ยไปทันทีมือมันไม่เป็นพูดมันก็ไม่เข้าใจมันเป็นที่อย่างเดียวไม่พูดมันก็เข้าใจเห็นแน่จะว่าอะไรแต่พูดจะเข้าใจไม่พูดมันก็เข้าใจเรื่องเป็นยังไงไง อัดแล้วมาผมฟังอยู่มันพอที่อัต่อไปก็อัดมันขาดอยู่เรื่อยวันนี้เทศอ่ะขาดเรื่อยขาดเรื่อยนี่แหละมันเป็นยูนังไงในใจเรื่องการก่อกางข้างมันข้าวตึกโกข้ากขงกวางดุวัดข้าวร่ขึ้นหงายของเงื่อนการก่อกางข้างก็เห็น ง, งานนั้นเป็นสำคัญในวงศาสนาในวงพระมงเนื่งวงเหน่งพระ รัศลาล่าเสียงนี่กําแพงไปที่ไหนพอจะอยู่กําเพงที่ไหนแล้วเอาลการสร้างี้ขึ้นก่อนเลยยุ้งไปหมดเลยมันเป็นยังไงในจำราสมหาก็จะดูมันกันนี่เป็นยังไงท่านนิยมในการก่อการสร้างไหมมันไม่ดีก็ก น, นั่นดีผมก็เอาคำพีมาพูดีิว่า ผก็ไม่อบเหอนกันครับอืมที่ไหนคมพี่ท่านบอกว่าจะไลเขาป่าใช่ไหมล่ะคู่ก็พูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการโดิบุคกรมภาวนาที่นั่นที่นี่ที่ป่านั้นป่านี้นองั้นอ่านที่ไหนตัวอย่างสอนพระต้อขออย่างนั้นเนี่ยก็เห็นที่นั่นจริไม่เอานาฬิกานี่เกี่ยกับกานก่อการสร้างมันุ่นหมดดุจในคมพีไหนมันก็ไม่เห็นมีก็เห็นตรงกันที่นังวิชากาสร้างวิหาร พระพุทธเจารับสั่งให้พระโมคคลนาไปคอยดูแลเท่านั้นนะแล้วก็พวกที่ตมัมานก็ไม่ใช่เป็นพระก็แค่งเขาไม่ใที่นี่พระโมคคานาทั้งกมดเป็นพระราหารัสนั่นนะต้องเขียตรงไหนพระราหัสนั่นด้วยนอกจากนั้นท่านผมก็ไม่เห็นที่ไหนว่าหรือเป็นการส่งเสริมให้พระสร้างนี่ผมไม่เห็นจริงไม่เห็นเลยมอื ยกปัญหาถามพวกเจ้าคำพื้นก็ตอบไม่ได้แลถามพวกปัจจุบันนี่ตอบจะาะจะช้ามากนั่นผู้น in ี้ผู้ส่งส่งมักส่งผลท่านถามท่นถามมถามผลถามากผลถามออกข้าปัจจุบันนี่จะ้าจําันก็ไม่ร่วมที่ถามว่าอาปากถามเราเลยว่าอปากเพาถามตางพวกปัจจบัินี่ใส่ผงออกผงผงเลยไม่มีคำพื้แล้ว ก็อย th ู่ในฐานะที mm ่เราได้เ hmm. รียนมาบ้างจึงได้นําออกมาสอนหมู่เพื่อนะร้อนไปที่ตายใจด้วยนะสอนจะว่าเอาเอกหารก็ว่าพราะเราไม่ได้สืกทอดมาเป็นมันสิบไปเนี่ยก็เอามาจับแบบจับสว่างมาสอนแต่ว่าชาติไทยก็เราก็ไม่เคยมีในหัวใจเราคือเอาความจริงออกมาให้หมู่เพื่อนได้จับได้ยึดเอาหนังเข้าหมายว่างั้นนะเพราะผมต้องไ้ดุเสมอผู่เสมอเรื่องการก่อการสร้างอะไรยังไงรุ่งเรื่องการก่อการสร้างของตัวเองไง ขนาดเชือยหยิบยกออกมาเป็นชิ้นเวลาให้เห็นนี่หรืออีกนี่หรือเศษนี่หรือศาสนาปูนนี่หรือชายหรือเหล็กนี่หรืออะไรยมาขนาดนั้นมันก็ยังไม่ถึงใจเลยกัหมดเลยผมจริงๆนะฮึผมเดชะนะผมผมจริงๆไม่มีอะไรมายุ่งผมได้เลยนะเพราะผมมนสายอย่างนี้นะ่เพราะงั้นจึงได้กล้าพูดว่าการสู้กิเลสโอ้ยไม่มีอะไรเหลือเลยสติปัญญากําลังวังชาที่ทุ่มลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยฮึงกระดัง ตังนั้นเราเห็นได้ทุ่มอะไรมัเรื่องภาวปฏิวัตินี่ท้อถึงได้รู้ว่าเรื่องของละเอียดราละเอียดนู่นเนี่ยพอถึงขั้นมันรู้กันเลยมันปิดไม่อยู่นู่นน่ว่างนี่เลยอถึงขั้นมันปิดไม่อยู่มันิไม่อยู่จริงถึงแล้วมันไม่ได้มันก็รู้ของมันอยู่เลยมันตามต้อนกันอยู่มันตามต้อนโดยอัตนมัตินะที่เรียกว่าภาวนามตราผมก็กล้าพูดภาวนามตรยานมันเป็น่างนัมใช่ว่าไงในแบบในฉบับมันก็มีใช่ไหมล่ะว่าภาวนามรปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนารื้วนน่่ท่งกว่าเพียงเท่านั้นท ท่านไม่กระจายกไปแต่เฉพาะมันเป็นก็ไปอ๋อรบวนๆไปอย่างนี้เองไม่ขึ้นกับอะไรเลยมันเป็นในตัวเองหมุนเกี่วกี่ยวเป็นธรรมจักรน่ะอ๋ออนั่นมันมือมันเป็นมันก็รู้พูดได้ถ้ามันไม่เป็นพูดไม่ถูก <_ c oughs> ปัญญาประเภนี้อย่างสุดตรมายาปัญญาได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญาก็แต่สติสตังขึ้นมาก็มี้เนี่ยมันก็พอคาดได้เดาได้นเนี่ยสุดตรมามายปัญญาจินตามายาปัญญาเราคิดนาคิดอ่านใจตรองธรรมดาเนี่ยเกิดเปน เราสะุดคิดหน้าก็มีแต่เวลาอยู่ชิดมันก็หมนไปเชียล่ะแต่ภาวนาปัญญาปัญญาไม่ไเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมจักรหมุนเกี่ยวเกี่ยววิริยะอยู่ที่ไหนไหนมันสอดมันสอดมันแเกเข้าไปหมุนก็ไปมันเหมือนไฟได้เชื้อไม่ว่าเชื้อหยาบเชื้อละเอียดละไฟมันไหม้ไปได้ทั้งนั้นใช่ไหมล่ะอันนี้เหมือนกันเนี่ยปัญญาเอาแค่นี้เป็นเหมือนไฟวิริยะเป็นเหมือนเชื้อไฟมันยังไม่หมดก็ตามมันก็จะไหม้ไปจน ไม่มีเหลือจะเป็นเท่าไป็านด้วยกันนั่นแหละว่างั้นเลยมันก็คือเหมือนกับไฟด้วยไฟไหม้เชื้อมันก็ค่อยๆไหม้ลงไปลุกไปลามไปลามไปสุดท้ายก็หมดขอให้มีเชื่อที่ไหนเถอะไฟจะไม่ถอยอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันถึงขั้นที่ว่าเอาขี้เหร่อยู่ที่ไหนคือเชื่อไฟองตับประํามแล้วมันเผาไปเลยผมก็ไกล้าพูดดิมันมันเป็นหนิไม่กล้าพูดดิเอาาเอาอะไรมาพูดไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้พูดอด้ยงไง มันเป็นมันเป็นเต็มหัวใจแล้วพราจะาพูดไม่พูดแต่เต็มปากวะมันขนาดที่ว่าอยู่กับเพื่อนเพื่อหมู่เพื่อนมาได้ฟังนี่ผมก็เคยพูดแล้วตั้งอยู่คนเดียวเท่านั้นอยา่ยาโยงใครไปแต่ผมได้ไม่ได้นะเพราะผมต้องหาอยู่ในที่สามตั้งหลายือสี่ล้วหลนห้าหลังคเรือน น, 5, 6, อ น, นั้นไม่เอามากเพราะบินทา บ, บนทาบบทเพราะยังชีวิตอยู่เป็นีปเพราะนั้นหลังใหญ่มันอยู่กับทําแม้จะบินทบาทมันก็เป็นเงิน ถึงขั้มันเป็นแล้วนี่ยทำไมก็เป็นฉันทันมันก็เป็นทั้งมันรสชาติมันจะมาเข้าใจมันจะมายุ่งนะซักทอดกินไปงั้นเนี่ยภาษาเฮานะแล้วทอดกินไปอยู่อันใหญ่เขามันทางานทั้งมันอยู่นั่นนั่นไม่มีแล้วแล้วจะไปคุยกับใครคุยก็เหมือนกับเรากาลังเขียนอะไรอย่างนี้อย่างน้อยก็จับดินสอไว้นี่ก็ะดากับดินสอจ่ออเสียไม่ได้ก็ต้องคุยกับเขาซะก่อนคือจนก็ะทั่งเรื่องเรื่องไปแล้วมันจะมาเขียนต่อน่ะถ้ามีคนมามันก็เป็นอย่างนั้น ถ้าอยู่ราคนเดียวมันก็ใส่เข้ามาอยูง่งั้นตลอดว่าละที่มันไม่เผลอก็ต้งเอามาพูดแล้ว่ว่าในเวลามันเผลอตั้งปับ๊บลมปลอยกั้งปั๊บล้มลป่ อ, มอยจนน้ำต า, าล้วโอ้มาลืมนะตัณหาไม่ลืมจริงนะเพราะอะไรพาผ ม, มเป็นคนจรงิงจังมันจะเอามันได้ยันงั้เอาเราตอหน้าต่อายนแหม โหน้ำตาล่วงอย่งตั้งเพื่อน่ากูมึงด้วยนะผมไม่ลืมไงเราเนี้ยคือกูมึงในหัวใจแล้วไม่จช่จะออกปากพูดหรอกนะเอามึงมาหนึ่งแน่ๆคุณฟังนี่มันเฉดมันมันมันแฉะแฉะนะงั้นกูต้องพังมาหนึ่งแน่ลอ้าวงั้นเป็นไปเถอะนะกูจะเอามึงพังมาหนึ่งแน่ๆนู่นนะฟังซิแล้วมันก็เป็นจริงเนาะมันเด็ดมันในยิงพอถึงขั้นเวลามันพอได้จังหวาแล้วโอ้ยใส่ใหญ่ขอแล้วเขาเป็นันนี่อยู่เขาเป็นกัดปันนี่ปันหักหรือเปล่ามัน มันเด็ดมันเด็ดมันเผ็ดมันน้อนมันจิ๋วแล้วเลยมันเกียดมันแท้นว่างั้นก็ถูกและเด็ดแค่ในจีดีความเพียมยิ่งเด็ดดิโอ้โหสติปัญญานี่มันเหมือนธรรมจักมอนกันเวลามันเป็นหันพราแม่กุญจันทร์แต่ท่านไมค่อยมาแสดงอะไรแบบนี้ ในคดียาองท่านบอกแล้วผมไม่สงสัยเลยเขาแม่ครูจันเรื่องเหล่นี้นะนั ar, me, ่นตอนหนึ come, ério, yeah. uh, yes. ่งที่ว่าอพระมหาเทระถามท่านว่าท่านอยู่คนเดียวท่านปรึกษาาวอะไรกับใครเวลาเกิดข้อสงสัยข้อใจขึ้นมาท่านบอกท่านฟังธรรมทั้งวันทั้งคืนนี่มันเข้ากันได้ตรงนี้เป่งเลยฟังธรรมในหละธรรมชาตินั่นหลักธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ในทั้นตอนท่านมีเวลาว่างท่านวางกันฟังดิ แต่ท่านไม่พูดแนะนำต่างสอนท่านบึกบึ้งไปตามกําลังของท่านเองเราอย่างมีท่านแนะนํา่างสอนอยู่แล้วมันยังก็ยังเป็นปนัญหาใดที่มันยังผิดยังพลาอยู่ได้ยังเถียงท่านเป็นบ้าไปเลยผมไม่ลืมเลยโอ้ยผมก็เลยงคอเขมาท่ทานอู่ภายหลังแล้วลหมดอันนี้ไม่มีเหลือล่ะผมแน่ใจของผมคือมันล่องหมดเลยเพราะเจตนาเราก็ไม่ได้มีในทางอากุศลเนี่ยนะคําที่เถียงก็คือว่าเราก็คิดว่าของเราอันหนึ่งมีอยู่เมื่อมันไม่ลงใจแล้วมันก็ต้องเถียงกันใจไหมล่ะเถียงก็นอย่างน้ผล ใส่กันนี่โอ้โหใครจะไปเถียงตั้นเหมือนผมบะางแต่มันเราเชเจตนาของเราเราไม่มีอะไรที่จะเป็นทิ่ฐิมรนาต่อสู้ท่านนั้นไม่มันก็มีอันหนึ่งของมันเนี่ยที่มันยังไม่ลงใจมันมีอันหนึ่งของมันอยู่ในใจเนี่ยเอาอนี้ออกสู้เลยก็อย่างตัวอย่างเช่นอย่างที่ว่าอันทรยนว่าสมุทัยทั้งแท่งมันเอ้สมาทิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมชี้เขามาดิพอเมื่อสมมาทิเป็นสมุทัยแล้วสมมาสมมาทิจะเดินที่ไหนแหนมันก็มีทางออกมันอยู่ที แต่ตั้นใสดีหลังนี้เว้ยหายเลยก็อย่างนั้นแ่ม่อมันท่านว่างนั้นแล้วมันลงเลยจะฝืนไปไหนสมาธิสมาธิของพระเจ้าไม่ได้เป็นสมาธิที่นอนตายเหมือนหมูดังสมาธทิ้งท่านอีกหนาหนั่นฟังดินี่เรานอนตายใช่ไหมล่ะสมาสินที่เหลือเหรอจิตสมาธิสมาธินอนตายเหมือนหมูเหรอตอนนั้นมันกระพลิใช่ไหมโอ้ยลงเลยขาวนี้ลงเลยก็อย่างนั้นแ่านดึงออกเใเป็นสมาธิให้ดึงออกทางด้านปัญญาไม่ยอมออกไม่ยอออกมันติดสวั ท่านว่าถ้าเกิมาใส่อะไรทีมาธีทั้งแท่งเป็นสมุทรไทยแท่งท่านรู้ไหม่ใหรู้ใหมมันยังออกมาเถียงท่านเลยความกินเวลาท่านพูดให้พอเหมาะนะความติดในสมาธินั้นมันเป็นสมุทรไทยถ้าว่างนมันไม่ถึงใจคนแบบนี้แบบผมท่านบ้านท่านเวลาท่านท่านตอบผมทุกอย่างท่านจะเด็ดทุกอย่างนะเผ็ดร้อนทุกอย่างให้เหมาะกับนิสัยเลยแล้วลงก็ลงในหิงเราถ้าธรรมาดาไม่ลงง่า ย, ายนะทับเข่งมาเลยแล้วเอาสู้ก็สู้ถ้าเรางมี เรามีอะไรของเราอยู่มันก็สู้ท่านนั่นแต่สู้เพื่อเพื่อจับเหตุผลนี่นะีน่พอถึงกึกหรอกลงลงเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นมันเบี่ยงั่นนะท่านนี้ได้ใส่มาแต่ตั้งหนักกระผมมีใส่เปี้ยงอะไรยเดียไม่ลืมคำไหนก็ไม่ลืมกันไหวผมนี่พรานิสัยมันนิสัยอย่างนี้นิสัยจริงมันจังบ้านเปว่าการงานอะไรจะมายุ่งผมไม่ได้นะ แต่ออกปฏิบัติมาแล้วไม่มีจริงๆนะผมงานไม่มีเลย <c oughs> มีแค่อ น, นี่ยขึ้นเวทีกับนี้ตลอดเลยอสร้างนั้นจางนี้ผมไม่เลือกไม่อะไรเลยอยู่ก็ท่านท่านก็ไม่ไ้าสร้างอะไรนี่มันจะเดินอยกงด้วยเท้าที่พบาหนาเท่านั้นมีอะไรก็จิตวิทยาไดเล็กน้อยๆก็อย่างปาดกาดเท็ตถูอะไรนี้เท่านั้น ไม่เห็นมีอะไรอย่างหนึ่งก็เย็บผ้าเนี่ยเย็บด้วยมือตอนนั้นเวลาจําเป็นมาอะไรมีผ้านั้นก็ช่วยกันเย็บเสียตอนนั้นเป็นระยะการระยะการไม่ได้นานอะไร น, น้องไม่เห็นมีงานอะไรมายุ่งนรื่องสนุกทําความเพียรทีพูดอะไรขึ้นมาท่านพูดแต่เรื่องความเพียรถ้าไม่ได้พูดเรื่องการก่อการสร้างจริงๆน่นะไม่พูดเลยผมไม่ปรากฏว่าท่านพูดนะนี้เป็นเรื่องความเพียร ทุกสิ่งทุกอย่างท่านเป็นเรื่องมากเรืงผลทั้งหมดว่างั้นเลยนะไ <c oughs> หยังมาเห็นพวกเรานี่ยไปที่ไหนก่อสร้าง <c oughs> นี่ก็ว่าอยู่นั่นแหละผมเวลาผมตายแล้วนี่ไม่มีใครที่วาอย่างนี้นะ <c oughs> จะเห็นเป็นแบบเดียวกันหมดเลย <c oughs> ักางกาจะสะดุดกระสะดุดสิี่พูดอย่างเวลา น, นี้ก็พูดให้สะดุดให้ชิดนี่นะ <c oughs> เอาแบบเอาฉบับของผู้ทรงมากถูกผลมาพูดทแท้ๆเนี่ยไม่ใช่แบบโมคฆามีแต่ไม้แต่หินแต่อิฐแต่ปูนแตนทรมาพูดนี้ อันนี้ใครทําก็ได้ยากอะไรท่ทรงมักทรงผลท่านทรงอย่างไงกันนั่นจับเอาหน้าทีมาพูดมาพิจารณาท่านผู้ทรงมักทรงผลเป็นแสดงกระชามพีพวกเราท่านทรงได้ด้วยเหตุผลกายไรนี้ได้เดินโยกมือดังธรรี่พ่อนานั่ น, น, น, น, า น, นทางทรงมักทรงผลทางเส้นนี้นะไม่สร้างอิปุลหินใจวุ่นบ้านวุ่นเมืองเขาอย่างนี้นีน่มันเป็นเรื่องยังว่าไปว่าท่านใหญยังสะดุดอีกนึง ที่แรกก็พูดกันถามมาจ า, ากช่างสลายลกว้างขนาดไหนแคบขนาดไหนก็ถามนี้รู้ว่ากว้างสิบสองเมตรยาวรูว่าสิบแปดเมตรยังไงฟังผมก็ลงใจเออขนาดนี้ไม่โตไม่ใหญ่โตแล้วเท่ากับท่านสมก็พอดีกับที่แถวนี้เลยนี่เราก็ว่างนั่นพอดีกันแหละพอได้อยู่อาศัยพอแล้วเวลา ไปดูอีกทีนี่มันมันทํำไมมันต้งผิดหูผิดตานาัมากนั่งนังวานไละ่ลลเบี้ยตามที่ไหนเลยทางยาวทค่สิแปดเมตรไ่ทางกว้างอ่ะสแปดเมตรทางยาวยี่สิบเมตรแล้วก็ออกไปเป็นแท่นภาพอีกสี่เมตรยี่สิองนยี่สี่เมตรนั่นอ่ะมันยังไงการนี่มองดูมันโอ้ยมันขวางหัวใจหังวาน น, นี่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ะแล้วเอาทํายังไงใครเป็นผู้บงการให้สร้างอย่างนี้หนักอ่ะก็เาแบบมาจะมาบ้าเพิ่มเออวะ่ะจะฟังไผ่เหมือง หรือเวลาหลังหนักนันมากเอากันหนักหนาเพราบ้าจริงเนี่ยโอ๊ยพวกฝังหนา้าฝั่งหลังเลยนี่พวกนี้ น, ะนี่เท่าไหร่ผมลดละอาใจเลยพูดกับเพื่อนพูดได้เหตุโดยผลแท้บ้าฝั่งเหตุฝังผลนี่นะทําไมมันจะไม่ขีดคนเล่าของสอนเพื่ออัดเพื่อถ้ำมาได้มันไม่เป็นท่ํานี่นะทาไมไม่สะดุดใจวะอนี้จะเป็นบ้ามากกว่านั้นยุ่นดูมกรุ้นดูคนดูยากอะไรไม่ใช่คุยนอกจากไม่พูดเฉย มันจะไม่มีนะเนี่ยผู้ชงมากทรงผลมันจะมีแต่ทรงแบบนี้แหละนะต่อไปเนี่ยจำมาดีนะท่านเรียนทมาที่สาวตรงนี้ไม่น่าหลังหน่าเลยนี่เป็นเรื่องยุ่งกับสิ่งเหล่านี้นะอยู่ที่ไหนมันอยู่ได้ญาสามไพ่สี่ไพ่สามตับสี่ตับมันก็นอยู่ได้แล้วเพื่อภาวนาหวัวใจสำคัญ ม, มากนะ จะพูดตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเรื่องของเรามาโอ้มาอวดหยาบย่ํำสลายหมู่เพื่อนนะเราเอาเราพูดเราพูดเพื่อเป็นข้ติแล้วเหตุเป็นยังไงผลก็ได้มาพูดให้ฟังด้วยนี่นะไม่ใช่มาพูดแต่เหตุว่าอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้แล้วผลเป็นยังไงนี่ไม่ได้มาพูดนี่ยเพูดทั้งหมดทั้งเหตุทั้งผลอยู่ยังไงก็เพราะยังคีวิธีไ ป, ไปก็ยังบอกแล้วแ ต, แต่เรื่องนี้ไม่ถอยเนี่ยฟัดกัมียู่ลเวลาขึ้นเวทีไม่ลงยังบอกไม่มีกรรมการเนี่ยมูลเรานี้ก็มาบอกพูดหมด คำว่าไม่มีกรรมการมันจะยืดเวลาตายไปอีกเอาคครเก่งนะอ่ะบื้อบนเวทีใครไม่เก่งให้พังลงเวทีระหว่ า, างที่เด็กเขาทาฟัดกันนั่นลงขนาดนั้นแล้วมันจะถอยได้ไงฟังซินั่นแหะคือความกล้าหาญที่จะต่อสู้เอาอยากจินอย่างจังนัน่นเป็นเครื่องบอกเยนนาอยู่แล้วนะ่ะพูดอย่างนี้ก็ดีมันก็มีแต่อย่างนั้นทั้งนั้นมันไม่เบาเด็กๆมันต้งบอก มันไม่มีระยะไหนระยะที่เบาสบายสบายอยู่สบายนี่โอ๊ยสำหรับผมเองนะมันก็บอกว่มันควรจะเบานี่อันหนึ่งมันมันก็เล่งมือของมันมันมันจะเอาให้เอากินส่วนดอย่างนี้น่ะแล้วเราคิมันเบาลงไปเบาไปสติปัญญาเราจะได้สบายมันไม่สบายมันจะฟาดให้ให้เอาเดียวนั้นน่ะเอามาจินน้ําพริกส่วนดอยู่ในอสมองกรใจายไปคือตายกี่เดียตตายจะได้ยิ่งเหม้อยิ่งหม้อยู่หม้อนั่นน่ะ มันนี่มันก็เล่ของมันไอ้ที่ใช่ไหมอันนี้มันก็ทุกอันหนึ่งที่ว่ามันทุกทุกไม่ต่อว่าทุกเป็นระยะของมันนี่ะในเวลาที่เดมันหนามก็ฟาดเรานี่ก็โอยกองทุกข์ใหญ่จนน้ำตาล่วงโหก็ไม่ลืมเนี่ยเวลาได้จังวแลรวฟาดกี่เดืนน no ี่ีเดมันอ่อนคอแล้วพักหน่อยเถอะมันก็ไม่ไหวนะมันอ่อนข้อแล้วมันไม่ตายนะวันนี้เอาม่ตายเดจิ้มน้ำพริกกับมันเดี๋ยวนี้นะเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้มันก็เร่งของมันไม้ที่ความเปลี่รนม่าจึงเอง ถึงการเวลาที่จะเริ่งเราก็เห็นโทษเห็นทุกข์มันก็เ็เต็มหัวใจอย่างบอกแล้วนี่เห็นคุณค่าของของธรรมแความพ้นทุกมันก็เต็มหัวใจด้วยกันเมื่อสองอันสองอย่างเห็นโทษเต็มหัวใจเห็นคุณเต็มหัวใจทําไมมันจะไม่พุ่งนั่นแล้วมันจะรอได้ยังไงนี่ราตรีเอามันหนักตลอดมันมันหนักอย่างนี้เองเมื่อถึงขั้นมันจะหนักมือฟาดกีเดลสมันก็หนักของมันเต็มพี ไปอยู่ในเขาหนิเขาไม่ออกมาแล้วถูกเขานิมนต์อ๋อไม่ได้บางทีอยู่ในกลางภูเขาเขาก็ไปเอานะว้าวสาคขญางจะตายทนลงมานี่วางไงก็นั่นแล้วก็สกุลยมนุ่มไปแล้วยมนุ่มเอาลงมาฉันถ้าชันวั น, นี้แล้ววันนั้นก็จะเอาวัานนี้น ก, นนนก็จะเอานะนี่พอได้โอกาสนะ เขมาม่ใจะมาแล้วคนเดียวครูวาจาย์ก็มาองคนั่นก็มาเขาไปเอานิมนต์มามนพอพอมาแล้วคนนั้นก็นิมนต์ไปฉันบ้านพูดนิมนต์ไปฉันบ้านนั่งที่ที่นี่นะมันได้จังหวะแล้วเขาจะเอาขึ้นเฉียงนั่นเฉียงนี่นสิผมมันเหมือนใครมันเหมือนบ้าอพอได้เพียงฉันให้บ้านเดียวเท่านั้นแล้วกลับมาบ้านมาเขานิมนต์อะไรนะเฉยเขาบอตอบพ่อมาลเตรียมของแล้วเปิดเลยผมออกหนีเลยมดค่าก็จะ เขาจะโกรธจะเครียดจะแคดอะไรไม่สนใจยิ่งกวเรื่องของเราเนี่ยเรื่องของเรามันใหญ่โตมากนั่นเขาไม่เห็นนี่วะเป็นอย่งนั้นนะผมเขาคงจะเครียดเนี่ผมเนี่ยไม่ทําตามใครทําตามเรื่องของเราไม่งั้นตายจริ ง, รงนะเรื่องโลกอย่างนี้ไม่ได้นะมนณฑนนั้นนี่มนณฑนนี้แล้วบ้านนั้นบานี้ไม่มีจบตายอย่างนั้นเนี่ยขึ้นเฉียงมไม่ลงนี่ยอมไปให้จำเพาะที่จําเป็นนั้นเราก็ไปให้แล้วพอเสร็จนั้นแล้วก็เพ่นเลย เข้าป่านเงียบไปขโมยหนีหนีไม่ได้หนี้ดยการขึ้รถขึ้นลาเนี่ยสภาสบาดเลยแล้วออกหลังวัดไปเลยเงียบไปฮช่อยางั้นนะเขาลงพ่นจากวัดไปแล้วไปไหนไปไหนทา้งนั้นอ่ะสภาพบาทแล้วเข้าป่าเลยไปไมันงนี้ไปเลยเพราะตะกอนมีแต่ป่านนมีทางรถทางลาที่ไหนวะอุ้ย่การบำเพ็ญนั่หมู่บ้านฟัง ไม่ไยุ่งกับเรื่องการก่อการสร้างเลยฟัดกับพิเดิกระดาษนั่นมันยังขึ้นกานั่นไม่ใชหนักจริงๆแต่ตจริงๆมันมือนก็ไม่ลืมหูลุมตานี่มันก็ก้าวปีเต็มๆแหละผมเนี่ยแบบไม่ลืมหูลุมตามองดูฟ้าดูเมฆดูหมอกอะไรเลยนั่นเหมือนตามีก็ไม่ดูดูสิ่งจำเป็นเท่านั้นเนี่ยหมา็ว่ามันห ม, ม, มุนอยู่กับเนี่ย เหมือนไม่ลมภูลืมตาเผลอไม่ได้พูดง่ายๆป๋าี้เรศติดต่อยเอาเนี่อยมันก็ต้องได้จังไงกันใส่สักถึงเก้าปีปีปีปีแรกเขาเริ่มก็ระดีพอออกไปมันก็ดีเลยอย่างจี้ว่านีะยแต่ที่เวลาคิดเสื่อมที่ไม่รู้จักวิธีรักษามันเสื่อมพอปีที่สองไม่มีอะไรเลยมีแต่ฝุ่นตะไคร่ปีนี้ปีทุกข์มากนะ มีพรรษาแปดนี่โถโถโถโพรรษาแปดรวมออกมาหาพรรษาเก้าเนี่ยออกพรรษาแปดแล้วว่าอ่าจิตเสื่อมเลยพรรษาที่แปดเป็นพรรษาที่จิตเสื่อมจนกระทั่งถึงพรรษาเก้าหมดพรรษาเก้านั้นเลยนะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้หัวอกเราให้ทุกข์มากๆนะเรื่องจิตเสื่อมเพราะความสีดายความสีดายนี่ทําให้ทุกข์มากนะ มันไม่มีอะไรลืมเพราะมันมีแต่อย่างเด็ดๆทั้งนั้นนะ่ะถา้าจิตเสื่อมมันก็เสื่อมอย่างเด็ดของมัน <c oughs> เราจะาให้เราตาได้จริงๆนะ <c oughs> นี่สิอันนี้แต่อย่างเด็ดๆไม่ให้เราลืมได้เลยนะเวลาจิตเสื่อมนี่ก็โหเป็นไฟไปหมดในหั อ, อกนี่มือนจะเผาทั้งเป็นเลยไม่พอปรรษาเก้าล่วงไปแล้วตั้งเมษาไปแล้วที่นี่นะจิตตั้งตัวได้ยังว่าตัเมษาไปแล้วพรรษาเก้าผ่านไปแล้วถึงเมษา อะไรที่นี้ตั้งได้แหละที่นี่มันไม่เสือ่อมเลยถึงขั้นถึงระยะที่มันจะเสื่อมอ้าวเสื่อมไปเนะี่ยมันก็ปล่อยใช่ไหมแต่พุทโธจะไม่ปล่อยอ น, นี่มันเอาตรงนี้สุดท้ายมันก็อยู่เออขึ้นไปแล้วมัมมมนก็ไม่เสื่อมไม่เสื่อมทางนี้ไม่ถอยขยับไม่ถอยสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมอีกทีมันแน่เขา่าแน่เขา่าแน่นเขา่าเรือ่อยเรยเรอยียับเข่าเรื่อยเพอาจวนเข้ากันพรรษา เดินมิถุนาท่านตั้งอยู่มิถุนาละ่ะที่นี่นะรับพระแม่โคจารย์มาจากท่าพนมไปรอท่านอยู่นูนพอดีท่านมาถึงก่อนอเราไปรอขั้นก่อนนะแตอยู่ที่ว่านั่นแหละวัดเอ่อนนะวัดสังแดงที่พาใครไปวันนั้นเข้าไปดูท่านุูใจด้วยไครที่น้ํากลับมันนั่นแ่ะเราไปรออยู่นั่น <c oughs> แล้วท่านมาพาักที่วัดออมกแก้วแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาท่านก็มาภากด้วยกัน่ ท่านป่วยนึ่งไข้หวัดใหญ่พอมาถึงนามนแล้วนั่นเราที่นี่ความเพียรเราเพราะมันหมดกังวลแล้วที่นี่ท่านก็นมาแล้วเนี่ยฟาดกันใหญ่เริ่ม้นั่นนะเริ่มหามรูหามข้ า, ขามาหน้านะ่ะนั่นจะยังไม่เข้าวรนศาลนะนั่งตลอดลุงตลอดลุง <c oughs> นั่นจะน่าจะสิบกว่าคืนนะบ้ง แ, แต่มันไม่ติดกันนะเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้าง ห้าคืนบ้างที่อาทิตย์บ้างนี่หมายถึงว่านั่งตลอดลุ่งตลอดรุ่งเนะนี่ยดิเคยพูดนึมู่เพื่นฟังที่วันหนักที่สุดในเรื่องความเพียนนี่ก็พรรษานั่นเนี่จะเริ่มก้าข้อพันษาสิทถึงพันษาสิทนี่หนักมากจริงๆเพราะมันหนักทั้งสองด้านร่างกายก็หนักมากเพราะโฮมัเต็มทีนั่งตลอดลุ่งตลอดรุงแล้วจิตก็ควบคุมกันยังหนัก ถ้าจิตเสื่อมต้องตายโน่นน่ะมันก็เด็ดสกัดนิสิถึงขนาดนั้นแล้วมันถอยกันได้ไงอันนี้หนักมากนะอย่างนั้นไปก็ น, นี่จิตไม่แน่ได้ว่าจิตนี้ไม่เสื่อมมันเป็นอยู่ในหัวใจเจ้าของจนถึงขนาดลงหนองอ้อนอ้อเอาละที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันเหมือนกับนี่ลนะถ้าว่าเป็นเป็นง่ามเป็นไม่นี้นะเหมือนก็เอาขึ้นไปนี่ตกปุ๊บลงมานี่ปีนขึ้นไปแล้วตกปุ๊บมาพอปีนขึ้นไปตึกเข้านีแล้วอา้าวที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันรู้นะ ม, นนมันรู้อยู่ยนั่น เออที่นี่ไม่เสื่อมน่ะถึงขั้นไม่เสื่อมคือไม่เสื่อมอยู่ในในขั้นของมันเนี่ยเสื่อมออมาอีกอย่างนี้ไม่เสื่อมแต่เวลากล้าก็ไปนี่มันก็ต้องกล้าตกกล้าลงมาตกนี่เนี้พอเกกนี้มันก็ไม่เสื่อมอีกมันเป็นเป็นระยะระยะมันเวลามันยังไม่ถึงอันนี้มันก็ตกมานี่ตกมาก็มาอยู่ที่เก่านี้ไม่เสื่อมลงมานี้ลงมานี้แล้วขึ้นมานี้พอเกิกนี้มันก็รู้อีกเนี่ยมันรู้เป็นระยะระยะมันนั่นแหละตอนนั้นมันพอสบายบ้างแต่มันเพลินในสมาธิสิ พอเท่าไหร่กินเป็นสมาธิแล้วนี่เทอานี้สมาธินั่งเท่าไหร่กี่ชั่วโมงมันก็มันก็ไม่ได้คำหนึ่งเพราะไม่มีอะไรกวนใจมันจะไปคำหนึ่งหมเข้าไปอยู่ในนั่นแล้วมันความรู้อันเดียวแน่วที่ละเอียดสุดอยู่ในนั่นนี่จะความรู้อันเดียวแน่วนี่ว่าติดสมาธิมันติดอย่างนั้นมันสบายอยู่นะไม่ยุ่งอะไรเลย เช่นตาไปมองเห็นรูปแบบนี้มันก็กัดเพื่อนหูได้ยินเสียงถ้าจิตออกมานะจิตออกมาจากอนนั้นนะมาสัมผัสสมารถถึงภายนอกไม่ว่าทางตาทางหูทางไหนก็ตามมันจะกัดเพื่อมกับเพื่อนมันไม่สบายนะพอคอยอย่านี่เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเงียบเลยสบายเนรจิตวัติติวัติที่ที่เวลามันมันทํานาญของมันจริงมันไม่มีเวลาเวลาหนาเข้ามาอะไรได้เลยเขามันจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยนะ่นถ้าฟังได้ว่ามันติดอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาอะไรได้ทั้งนั้น นั่นความจำนานก็จะกล้าสามารถพูดหรือสิมันเป็นได้อย่างนั้นจริงๆแล้วจะไม่พูดได้ยังไงวะใครจะว่าบ้ากบ้าที่ว่ากันเลยเวลามันไม่เป็นจนน้ำตาล่วงก็ได้พูดฝักแล้วใช่ไห้เละทีนี้เวลามันเป็นมันติดเนื้อสมาธิมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านอาจารย์จึงว่าจึงกล้าพูดว่าอย่างเราท่านท่านเนี่ยปุบริษัยใจคอขนาดเราท่านท่านไม่ใช่ปกติกันอยู่แล้วว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองโอ้ตายทิงเขาไปอย่ามาอย่ามาคุยวะว่างนั้น คนนั่นคือคนไม่เคยภาวนาเลยนั่นมันเห็นภูมิเดนั่นแล้วเรามันเคยสปัจจุบัาพอแล้วมันติดในสมาธิมันจะสนแตกับปัญญาเลยพอปัญญาจะเกิดวะเขาอยู่นั่นสุดท้ายมันก็เมาเอาจิตทิ้นแน่วนั้นว่าเป็นนิพพานจะเอานนธ์นี่เหลอนิพพานอยู่ตรงนี้เหรอก็จะฝันมันได้นิพพานตรงนี้เนรอมันไม่ได้ก็สิบนาทีมันเป็นสมาธิมันไม่ใช่ปัญญาโน้นเวลามันถอยออกมาแล้วมันออกทางด้านปัญญานี่มันละเอียดกว่านี้ทีนี่ พ่อเขาด้นปัญญาแล้วมันโห้มันควานไปหมดเลยเตะกระจายไปเตะกระจายไปเตะไปที่ตรงไหนมันก็ย้อนเ ข, ข้ามาหาจิตหาจิตเขากิเลนก็กิตย้อนกข้ามานี้มันก็มาถอดมาถอนกันนี้แล้งับพันที่นี่จิตก็ยิ่งละเอียดเข้าไปแล้วเฮ้ยนี่แน่ความติดสมาธินอนตายเฉยแน่เ อ, อาเราณที่ไหนมาเห็นโทษละ่ะอปัญญาต่างหากแกกินเล น, นแน่มาทธินอนตายเฉยที่นี่ามันก็ไม่พอดีผมเนี่ย ก็ได้ออกทางด้านปัญญาออกออกดีกว่าทางเข้าไม่ได้มันไม่สนใจจะเข้าไม่ใช่อะไรนะไม่สนใจมันเพลินแล้วก็มาตําหนิ้สมาธิว่านอนตายเฉยแน่ดูที่น่ะนี่แหละที่ว่ายึดเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองโอยอย่ามาคุยอย่ามาโมะว่างกันเลยนะคนเรามันเคยวางถ้ามันเป็นสมาธิติดเป็นสมาธิมันเป็นปัญญาเองแล้วมันเป็นไปแล้วนี่มันไม่เห็นเป็นว่ะต้องล่าออกทางด้านปัญญาพราแม่อิจารณ์ช่วยล่กอยู่ด้วยซ้าไปว่ะมันชัดอย่างนั้นที อะไรมาสงสัยว่ามันชัดในหัวใจแล้วทีนี้เวลามันออกทางด้านปัญญานั้นมันไม่มาสนใจเราทางสมาธิไม่ใช่สมาธิไม่มีนะแต่มันไม่สนใจเฉยเรื่องสมาธิก็เพราะอเรื่องฐานของจิตมันกำแน่นเหมือนภูเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่มันมันมันออกทํางานต่างๆทํางานทางด้านปัญญามันไม่เข้ามาอยู่ตรงนี้มันไม่อยากเข้าเนี่ยมันไม่ได้ผลได้ประโยชน์ไม่ได้ความแยบคายมันเห็นคุณค่าของปัญญา เห็นคุณค่าถึงขนาดที่ว่าตําหนิกิเลสก็นอนตายเั้งตำหนิสมาธิว่านอนตายเฉยมันไม่พอดีเวลามันจะตายกินมันก็เข้าบังคับเข้าโอ๊ยบังคับนะผมก็ไม่เลื้อมันบังคับบังคับถึงขนาดที่บริกรรมพุทโธทั้งทั้งที่ฐานของกิมแนนปังด้วยนะมันเพลินที่จะไปทํางานนี่มันไม่ใช่มาเข้าสมาธิไม่ได้เพราะว่ามีสมาธิอะไรนะมันไม่มีจนไม่สนใจจะมาเข้าคุณยังไงนะ ยิ่งกว่าการเพลินในทางด้านปัญญาเพนั่นที่ต้องในบังคับเข้ามาวันนี้มันจะออกนึกว่าพุทโทโทหทีให้มันอยู่ในฐานของมันฐานสมาธิแม่งแน่นปังเหมือนภูเขาเล่นเมื่อไหร่วะเหมือนหิน่ะแต่มันไม่ไม่ยอมมาอยู่กับหินมันจะไปอยู่กับงานนั่นที่ว่าอมันไม่เข้าสมาธิมันไม่เข้าจุดเนี้ตัวนี้พอบังคับเข้าแล้วมันเข้าแหละเข้ามันกมันมันมีอยู่แล้วทำไมมันจะเข้ายากวะ เป็นเพียงมันเพลินในปัญญาอะไรจึงต้องบังคับแล้วเ อ, เอาเอาคําบริกรรมคือพุทโธพุทโธพุทโธบังคับไว้บังคับไว้มันทํางานกับพุทโธนี้เนี่ยให้มันออกมาสมานกับปัญญานั่นพุทโธพุทโธนี้เชเดียวกันเช้านี้ก็พอพุทโธพุทโธถี่ยิบยิบเข้าไปยิ่งกันแน่วมมันปล่อยอาการของจิตนะปล่อยกิริยาของจิตความคิดควา ม, วามปรุงนนิ่มลงไปถึงกึศอยู่โอ้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะปล่อยงานนะพักงานทาด้านปัญญา ถึงขนาดนั้นมันยังจะออกอยู่นั่นน่นล่ะฮึต้องได้สติบังคับไว้ไม่ให้ออกมันรสชาติมนยังสู้ทางปัญญาปัญญามาได้อยู่ไหนว่าไงถึงจะมันจะมีความสุขความสบายเพราะพักงานนี่ก็ตามแต่แต่มันยังไม่เห็นดียิ่งกว่าปัญญาเพราะมันนึงอย่างจะออกอยูหือต้องได้บังคับไว้ขั้นถึงขั้นมันนั่นล่ะมันต่างกันอย่างนั้นนะขั้นปัญญาขั้นสมาธิถ้ายังไม่เห็นคยเห็นขั้นปัญญาแล้วก็ว่าสมาธินี้ดีอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ดีติดได้ยังไงน่ะ พอที่เก้าทางด้านปัญญาแล้วเรียดกันผิดก th ันทุกทีท you like ุกอย่างผิดกันหมดสิยาของจิตอาการของจิตทุกทยที่มันคล่องตัวไปหมดเลยรอบตัวรอบตัวปัญญาหมุนนั่นแค่พูดถึงฐานของจิตมันก็ยิ่งละเอียดละอ้อกันไปนั่นแ่ะปัญญามันเข้ามาขัดจิตนี่เองเพียงสมาธิขัดขัดได้แค่นั้นล่ะขัดได้แค่ความสงบส่วนปัญญาเขามาขัดมันได้แตงความแยบคายละเอียดละอ้อนั <me ME ่นอ่ะมันต่างกันอย่างนั้นนะเวลามันต่างมันต่างกันทุกอย่างทุกอย่างเมื่อเป็นเชนั้นมันจึงติดทางด้านปัญญามันจะเพลินจะออก อ๋อเวลามันไปเต็มเหนี่ยวแล้วมันก็แปลกนะนี่แบบไม่มีใครบอกมันรู้เองบางทีเราบิดตกนั่นกันนะจะบเช่นบิดตกวว่าที่เราคาดไว้ว่าเมื่อกินดีความละเอียดอ่อนเข้าไปสลายแล้วการงานก็จะค่อยเบาลงบาลงจิตก็จะค่อยสบายไปสบายไปเรื่อยแล้วะเอียดเข้าไปสะาสบายเข้าไปเรื่อยๆทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นว่างั้นคือปัจจุบันที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมันเป็นยังไงวะ ก็มาคิดลรื่อยๆเข้าไปมันยิ่งยุ่งมันยิ่งยุ่งยิ่งหมูนมันยิ่งคาดกิเลสนั่นแหละมันยุ่งกันนั้นต่างหากนะไม่จะยุ่งอย่างอื่นนะยิ่งเรื่อยๆเข้าไปแต่อะไรมันยิ่งหมุนดวงวันปัญญามันยิ่งหมุนดวงวันแล้วทีนี้มันก็มาแล้วทําไมมันจึงเป็นอย่างนี้ล่ะวางกันเราคาดเอาไว้ยาดที่เป็นอย่างนั้นยิ่มีความละเอียดเราเอกเข้าไปอะไรการงานก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็จะค่อยจะค่อยสบายเข้าไปโดยความดำดำแล้วกับความเป็นอยู่เวลาที่ทําไมมันมันเข้ากันได้ล่ะมันไไมม่่ด้้าาาัทํเขกล อันี้ยิ่งงานมากยิ่งยุ่งมากเนี่ยเวรันมันยุ่งการเกลดไม่ใช่อะรนี่แหละเออหัวใจเป็นอย่างนี้่ะนั่นความจริงกับความค่ามันผิดกันมันละเอียดกับประธานมันยิ่งหมุนน้ำมันจะโถเดี๋ยวเวลามันไปเต็มที่เต็มแดนน้ำมันสุดกําลังของมันแล้วไม่ได้บอกนะไม่ได้ว่าอะละที่นี้พอไม่เคยเป็นเลยนะมันหนักเป็นพอดีพอดีกันนั่น แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมันสงบของมันลงไปหมดเลยพอตัวสําคัญตัวสมุทัยนี่มันม้วนลงไปอันเรื่องเครื่องฆ่าทั้งหลายจัตตาราวุธมันก็ปล่อยของมันได้ธรรมดาธรรมดาที่วันหมุนเป็นธรรมจักรนี่มันก็หยุดทั้งวันได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะบังคับให้มันหยุดนะมันพ่อเหมาะพอดีกันว่างั้นแต่คุณยังไงนะพพอเหือะพอ่ะอืนไม่เห็น ทีเราว่าเมื่อไรมันจะสงบได้สักทีนหนาที่เราคิดเราคาดไว้เป็นอย่างนั้นนั้นแล้วทำไมมันจินเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไรมันจะสงบของมันสะดวกสบายได้สักสี่นาอะเพราะว่างั้นมันก็ปั๊บเอาแล้วไหนหมุนวันติ๋วที่วันเพอาชั่วขณะเรามีตกเท่านั้น่ะหยุดลงปั๊บดีมันก็ทํางานของมันแล้วะไปอีกแล้วหนึ่เวลามันไปสุดขีดจุดแดนของมันแล้วมันจะมันจะยุดติของมันนี่ มันก็เป็นเรื่องพอเหมาะพอดีพูดกับใครไม่ได้พูดบอกใครไปได้นะมันเป็นนักรู้เองมันนักพอเหมาะพอดีไม่มีเจตนาไม่มีความจงใจอะไรเรื่องจะระงับมันอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องธรรมจักรที่มันหมุนติ้วเตี้ยวอย่างนี้นะมันนักพอเหมาะพอดีกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยพูดได้แต่ด้านหนึ่งนะจะว่าบังคับมันหยุดไม่มีเจตนาที่จะบังคับให้ให้สติปัญญาประเภทนี้หยุดพักตัวเนี่ไม่มีมันนั่มันนังเป็นของมันเอง ก็เหมือนเหมือนว่ามันเล้าพูดอะไรก็พูดไม่ถูกเจ้าว่ามันหมดความจําเป็นหรืออะไรมันก็ไม่เห็นมีเจตนาว่าหมดความจำเป็นแล้วมันก็ไม่มีมีอีกแหละมันหน้าฟอดีของวันหนฟอดีฟอร์ดีทุกอย่างะเออเวลาเลิกเลิกอย่างนี้นะเดี๋ยวมวยมันครบห้ายกแล้วหยุดเองวันนี้เนี่ยทำผันเลยนะแล้วที่นี่เวลามันหยุดก็อาอีกละ หยุดจนหยุดจนขี้เกียจตับพุ่ยประส า, าโลกเหมือนว่าขี้เกียจหยุดเหมือนไม่มีสติปัญญาเลยที่นี่นะมันไม่มีที่ไม่เคยเป็นนะมันไม่มีมันถ้าว่าแบบโลกมันเหมือนเอมันไม่มีอะไรที่จะไปยุ่งไหมภาวนาก็เหมือนกันแต่ก่อนภาวนาอย่างนี้ได้เมื่อไหร่วะทีนี้มันก็ไม่เห็นจะมีเจ้าของ ทีนี้มันทำไมไมันเป็นภาวนาแบบนี้ละ่ะเนี้ไม่ก็ไม่เห็นหลครับคือภาวนาไปเล่นรับจัดไปภาวนาก็วา่าไปอย่างนั้นแหละวัดถูกไมถูกเออปัญญาือนั้นไปได้หมดนั่นไม่มีปัญญาเรื่ง น, นั้นอยู่แบบจะว่าจะว่าให้มแบบันพอเหมาะพอดีกับทั่วไปนั่นก็คือว่าก็อยู่ไปแบบเซื่อื่อเสาภาวนาก็เดินยุ่ยงกุมก็ินยุ่งกุเสื่อเสื่อส้าแบบนั้นะ แบบไม่มีสติตัง่าแต่ว่าตั้งใจว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันเราก็พูดออกมาว่ามันแบบเซอ่อเซ่อซาซา่ะเหมาะดีแต่อย่างนั้นนี่มันมันมีอันหนึ่งที่มันเป็นเครื่องยันกันที่ที่เราปักกินไว้นะว่าจะจมหาสติมหาปัญญานี่นี่ยเพระอรหันต์ตั้งเผอไม่เผลอเนี่ยเนี่ยอันหนึ่งนะ่ะที่มันจะน่าคิดนะคือไม่เผอเลยก็คือมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญานี่เป็นองค์มรรคแน่ มาร์กทมาครัญยานี้คือคื อ, คอมาร์กที่ละเอียดอ่อนที่สุดเป็นมาร์กเนี่ยฟังซิไม่ใช่ความบริสุทธิ์เป็นเครื่องมือเป็นมาร์กไรจิตบัญญัติเพราะนั่นถึงมีการยุติได้เนี่ยคืนี่เราจะเอามารีมาร์กยานี้เข้าไปใส่กิตนั่นเข้าไปได้เข้ากันไม่ได้แล้วจิตนั้นเป็นไงที่นี่อจิตไม่ได้อยู่ในความเผลอไม่ไอยู่ในความไม่เผลอเนี่ยที่ไม่แน่ใจก็คือบริสุทธิ์แน่นั้นเท่านั้นจะว่าไงอีก แต่เวลาจะใช้สมมูิก็ใช้ได้สติให้มีก็มีทันทีเนี่ยแต่สตินี้มีทันทีก็ดับไปได้ทันท <Seriously. S 2> ีเนี่ยมันเป็นของนิจังกันใาย้ากแน่วเพราะพวกนี้เป็นโลกเป็นเป็นข้าเป็นเป็นสมมูเนี่สมมูลไทยก็เป็นสมมูิมรรคก็เป็นสมมูิที่ผ่านจากสมมูลไทยขึ้นทุกสมมูลไทยขึ้นมาคืออะไรมีโลดมรรคผ่านทุกสมมูลไทยโลดมรรขึ้นมาคืออะไรนั่นนั่นมาวิมูลอันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําว่าเผลอไม่เผลอนี่นั่นเรียว่าไง อันเป็นตัวเองนั่นแหละดีพูดก้อนๆูดเหมือนบ้าวะ่ะเพรานมันเป็นเข้ามันก็รู้เองจาเป็นอะไรต้องมามีฉัยมาพูดมันไม่มีอะไรที่จะวีรชยัยมันพอดีพอดีทุกอย่างเอว่างั้นเลยก็แล้วกันพอดีมีสติีก็ใส่กัพอดีไม่มีสติกพอดีอยูง่งานสะพอดมันมีสะพอดีมดเลยมีสติไหมพระอนาจารย์ต้อมีสติไหมนี้อะไร ท่าเผลอตีหรือเผลอบางทานก็ได้เป็นอะไรไปไอ้ท่านท่นไม่ได้เป็นอารมณ์อะไรเีอ น, นี้มันเป็นสมมติหรือวสิ่งที่อะไรที่เป็นที่แน่ใจแน่ใจนี่ก็ยังมันยังหยามนะหันเป็นพื้นฐานของธรรมชาตินั่นนั่นอูวได้แค่นั้นเ อ, นนนอนนนไม่ไม่มาอยู่กับวันนี้นี่แหม่อะละเลิกกันแล้วนะ